งเงยจะสิ้นปีแล้วปีใหม่มันเหมือนหลักกิโลเมตรนะผ่านไปอีกหนึ่งหลักแล้วเรารู้นะว่าเราผ่านมากี่หลักแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเหลืออีกกี่หลักงานของเราต้องรีบทำงานทางใจของเรา เราไม่รู้เวลาเราเหลือแค่ไหนล้วจะต้องไม่ให้เสียใจทีหลังว่าตอนที่มีเวลาอยู่เราไม่ได้ทำตอนที่เวลาจะหมดแนละ้วคล่ำครวญเสียได้เลยว่าทำน้อยไปก็ตั้งอกตั้งใจอย่าขี้เกียจแต่หลวงพ่อดูแล้วประเมินผลพวกเราเหมือนกันนะ หนึ่งปีที่ผ่านมาส่วนมากก็โอเคนะจิตใจก็ดูเติบโตขึ้นดูเข้มแข็งขึ้นพวกปอแปรทอแท้หดหูขอกำลังใจอะไรพวกนี้สูญพันธ์ไปเกือบหมดล้ะพวกที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะพวกเข้มแข็งต่อสู้เข้มแข็งศาสนาพูดไม่ใช่ศาสนาของคนใจอ่อนคนโลเล เป็นศาสนาของคนสู้เป็นเรามองเห็นภัยของวัตตะสังสารวัตเนี่ยน่ากลัวที่สุดเลยน่ากลัวยิ่งกว่ารัฐบาลประเทศใดๆทั้งสิ้นยิ่งกว่าทุกคนทุกแห่งน่ากลัวที่สุดเลยคนอื่นทำร้ายเราได้ครั้งเดียวตายครั้งเดียวแต่วัตตะน่ฆ่าเราแล้วฆ่าเราอีก ถ้าเรายังไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษเราก็ไม่มีกําลังที่จะพ้นจากมันไปไเห็นทุกข์เห็นโทษของวัตตะใจมันไม่เพิกเฉยแล้วมันจะดิ้น้นว่าทํำยังไงจะพ้นออกไปได้ตราบใดที่ยังไม่พนม้นมัรู้ตัวเองว่าภาระของเรายังมีอยู่มันยังมีทุกข์อยู่ในใจมีกิเลสที่ยังครอบงําใจได้งา น, นยังไม่เสร็จ ใจมันจะทนอยู่เฉยๆไม่ได้ใจมันจะต่อสู้ว่าทำไงจะต้องช่วยตัวเองให้พ้นให้ได้มันไม่เหลือวิสัยหรอกที่คนคนหนึ่งจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นมันยากสำหรับคนที่ไม่เคยได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ยินได้ฟังแล้วเรารู้วิธีปฏิบัติ ว่าทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรทางของศีลทางของการฝึกจิตฝึกใจให้มีสมาธิที่ถูกต้องเส้นทางของการเจริญปัญญาแยกรูปแยกนามเห็นรูปนามขันห้าสแสดงไตรลักษณ์นี่คือทางของปัญญาทางสายกลางก็คือศีลสมาธิปัญญานี่เองถ้าเราสะสมได้มากพอเนี่ยมันคล้ายๆเป็นพลังนะ จิตใจมันจะสะสมพลังไปเรื่อยๆความดีทั้งหลายเราก็สร้างไปทุกอย่างทานศีลสัจจะขันติเมตตาอะไรนีปัญญาไปดัวเรื่องบารมีสิบประการทบทวนตัวเองอันไหนยังบกพร่องอยู่ค่อยๆฝึกค่อยๆพัฒนาไป แต่จุดสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการฝึกจิตฝึกใจให้ถึงฐานจิตที่ถึงฐานนี่คือจิตที่ส่งสมาธิที่ถูกต้องสมาธิหลวงพ่อสอนทุกคราวเลยเน้นมากตพราเป็นจุดสำคัญที่ว่าชาตินี้เราจะทำได้หรือไม่ได้เราจะเจริญปัญญาได้ไหมถ้าจเจริญปัญญาไม่ได้ก็ไม่มีทางได้มั่ได้ผล จะเจริญปัญญาได้สมาธิต้องถูกชนิดตัวนี้เรื่องใหญ่คนปฏิบัติมีตั้งเยอะตั้งแยะแต่คนที่พอวนาสำเร็จมีนิดเดียวเพราะส่วนมากมันทำสมาธิฤือสีกันหมดสมาธิมันมีสองอย่างสมาธิที่เพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวสมาธิอันนี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็ไม่ปฏิเสธท่านก็เห็นว่ามีประโยชน์เอาไว้พักผ่อนสมาธิอีชนิดหนึ่งก็คือจิตตั้งมั่น เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตถึงฐานจิตอยู่กับตัวของตัวเองนะไม่ไหลไปไม่ไหลามาโดยที่ไม่ได้บังคับไว้เวลาที่เราภาวนานะแต่เดิมหัดทำสมาธิจิตเป็นสงบอยู่ในอารมณ์เดียวสิ่งที่ได้ก็คือได้ความสุขความสงบถ้ายังสุขยงสงบไม่เต็มที่ก็ได้นิมิตนะเกิดนิมิตขึ้นมามีความสุขมีความสงบขึ้นมาลึกขึ้นมา ชำนีชนานขึ้นมาได้อภิญญาปิญญาห้าข้อเป็นโลกียะอภิญญาหนทิพราธิพรู้จิตคนอื่นรู้ว่าใครตายไปไหนอะไรเงี้ยรู้ชาติก่อนอะไรพวกนี้นสิ่งเหล่านี้เกิดจากสมาธิที่จิตมันสงบอยู่ในอารมณ์เดียวส่วนสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่กับจิตเนี่ยเป็นสมาธิที่เอาไว้เดินปัญญา พวกเราต้องฝึกตัวนี้ให้ได้เพราะเวลาที่เราสร้างคุณงามความดีแต่ละคราวแต่ละคราวที่เราสร้างความดีความดีก็มีตั้งเยอะแยะหลายอย่างวันนี้รักษาศีลวันนี้ทำทานวันนี้ทาสมาธิเดินจงกรมวันนี้เจริญปัญญาเนี่ยความดีของเราแต่ละวันแต่ละวันนะกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยมันไม่รวมตัว แต่ละวันแต่ละวันนะทำความดีอย่างโน้นความดีอย่างนี้แต่ความดีพลังของความดีมันไม่รวมตัวกันเข้ามาจุดที่คุณงามความดีทั้งหลายที่เราสะสมไว้ที่เรียกว่าบารมีนะมันจะรวมตัวกันเข้ามาด้วยกันได้เนะี่ยมันรวมด้วยอำนาจของส ม, มาสมาธิสั ม, มาราสมาธิก็คือสภาวะที่จิตมันตั้งมั่นเป็นความตั้งมั่นของจิตจิตอยู่กับจิต จิตไม่หลงไม่ไหลไปหาอารมณ์ภายนอกโดยที่ไม่ได้บังคับไว้ถ้าจิตหลงจิตไหลไปหาอารมณ์ภายนอกเรียกว่ายอ่อหย่อนเกินไปอารมณ์ภายนอกก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสในพวกนี้เรียกว่ากามคุณอารมณ์จิตที่ไหลออกไปนะกนะ็เป็นจิตที่หลงไปจิตที่หลงไปเป็นจะิตที่ย่อหย่อนใช้ไม่ได้เป็นกามสุขาริกานุโยค รูปเสียงกลิ่นรสผัวทพ้าทอะไรพวกนี้นะเป็นกามคุณอารมณ์เวลาเราคิดก็คิดแต่เรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินเรียกว่าการรมมารำนี่เรื่องกามทั้งหมดเลยนะเวลาใจเราหลงไปอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือหลงไปคิดเพลิดเพลินสนุกสนานไปนะจิตหลงไปในกามนะมันย่อหย่อนไปมันตามกิเลสไปจิตอย่างนี้ไม่มีคุณภาพ ส่วนจิต ท, ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นถ้ารู้ตื่นเบิกบานด้วยการบังคับเอาไว้ควบคุมเอาไว้เป็นการบังคับตัวเองนะเป็นอัตตะกิลมฐานโยกนั้นจิตตัวรู้ที่เป็นตัวสายกลางจริงๆเนี่ยไม่เผลอไปแต่ก็ไม่ได้บังคับเอาไว้ไม่ได้เพ่งนะมันเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้เจตนาให้เกิดเกิดแล้วเราไม่ได้เจตนารักษามันอยู่ของมันได้เอง หลวงพ่อถึงจำจี้จใชัยมากเลยนะพวกเราต้องฝึกซึ่งผ่านมาเนี่ยหลวงพ่อพึงพอใจประเมินผลพวกเราแล้วก็น่าพอใจแต่เดิมพวกเราก็ทําสมาธิเหมือนที่คนอื่นเขาทำกันสมาธิเคลอบเคลิ้มลืมเนื้อลื ม, ล ม, ลมตัวเห็นโน่นเห็นนี่ได้ฟังทำบ่อยๆเข้านะใจของพวกเราก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานี่พอได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันเกิดจากอะไรเกิดจากเรามีสติ ร um ู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไปจิตไนเคลื่อนไปทางตาเรารู้ทันจิตเคลื่อนไปทางหูรู้ทันจิตเคลื่อนไปทางจมูกทางลิ้นทางกายรู้ทันจิตเคลื่อนทางใจเคลื่อนทางใจเคลื่อนไปคิดเคลื่อนไปคิดนึกลรุงแต่เรารู้ทันมันเคลื่อนอยู่ทั้งหกช่องทางเนียช่องที่เคลื่อนบ่อยที่สุดคือช่องของจิตจิตคิดทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับหลับแล้วก็คิดต่อเรียกว่าฝัน เนี่ยจิตมันหลงไฟไหลไปอยู่ตลอดเวลาเพราะเรามีสติรู้ทันะจิตจะไม่หลงไปไม่ไหลไปตัวรู้ก็เกิดไม่ได้เจตนาให้ตัวรู้เกิดตัวรู้เกิดของตัวรู้เองเนี่ยตัวรู้อย่างนี้แหละจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิก บ, บานมันมีลักษณะที่เบาเรียกว่าละหูตามีลักษณะนุ่มนวลอ่อนโยนเรียกมุทุตามันคล่องแคล่วว่องไวนะเรียกว่าปา่าขุนตาไม่หนืดหนึดไม่เฉยเฉย มันขยันมันไม่ขี้เกียจนะขยันที่จะรู้ความจริงของรูปของานามเป็นกรรมวญญตาควรวเก่การงานเป็นจิตที่ควรที่จะใช้งานจเจริญปัญญามันมีอุชุกตามันซื่อตรงในการรู้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็สั่งว่ารู้ว่าเห็นไปไม่เข้าไปแทรกแสงถ้าแทรกแสงก็ไม่ใช่ตัวรู้นะแทรกแสงนะั้นจิตมีโลภะมีโทสะบงการอยู่งั้นเราไม่ไปบังคับจิตนะแต่เราอาศัยรู้ฐานจิตที่เคลื่อนบ่อยๆ เราจะเห็นได้บ่อยถ้าเราหัดดูต้องทำในรูปแบบแบ่งเวลาทำาในรูปแบบอย่างน้อยที่สุดวันละสบ15นาทีในเบื้องต้นไหว้พระสวนมนต์นิดหน่อยแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนไปแต่จิตเคลื่อนไปไหนส่วนใหญ่คือเคลื่อนไปคิดนะเกิดบ่อยที่สุดงั้นเราเล่นไอ้ตัวที่เกิดบ่อยที่สุดนี่แหละไม่ต้องไปเล่นทั้งหช่องทางถ้าอยากดูตั้งแต่จิตไปดูไปฟัง ไปรู้รสไปรู้กลิ่นไปรู้สัมผัสทางกายไปเคลื่อนไหวทางใจหกช่องมันดูยากไปเอามันช่องเดียวแนละช่องที่เกิดบ่อยที่สุดก็คือจิตหลงไปทางใจนะหลงทางใจที่เกิดบ่อยที่สุดกือหลงไปคิดเล่นในตัวที่เป็นหัวโจกเลยจะ่าไปเล่นในตัวเล็กตัวน้อยนะบางคนเนี่ยบอกว่าเวลาลิ้นกระทบรสทีหนึ่งจะรู้ทีหนึ่งมันไม่ค่อยได้กินหนอมันไม่ได้กระทบรสบ่อยนะ ที่จริงลิ้นกระทบรสตลอดเวลาเหมือนกันนะอย่างในปากเราเนี่ยก็มีรสแต่เราชินเราไม่รู้รสนั้นเราดูไม่ออกแต่ทางความรู้สึกทางใจเนี่ยถ้าเราคิดไปเวลาคิดไปเดี๋ยวมันก็สุขคิดไปเดี๋ยวมันก็ทุกข์คิดไปเดียดเด๋ยวมันก็ดีคิดไปเดี๋ยวมันก็ร้ายนี่เราจะเห็นนะมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆได้เราคอยรู้ดอยู่ที่ใจของเราอันนี้นจิตนีไปคิดแล้วรู้จิตนีไปคิดแล้วรู้ตัวรู้ก็จะเกิด เกิดชั่วคราวแล้วตัวรู้ก็ดับไปดับไปก็ไม่ว่าอีกมันเกิดได้มันก็ดับได้เพราะเราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้ตัวรู้เที่ยงแต่เราภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงของาธาตุของขันทั้งหมดเลยกระทั่งตัวรู้นี้ก็อยู่ในธาตุในขันนี้ด้วยเราเรียนให้เห็นความจริงว่ามันของไม่เที่ยงเพรางั้นอย่าไปรักษามันตัวรู้เกิดขึ้นน่ะดีแล้วแล้วตัวรู้ดับไปก็ดีแล้วเกิดใหม่อีกก็ยิ่งดีกว่าเก่าอีกถ้าตัวรู้เที่ยง บางคนจะทรงสมาธิมากคนที่ทรงฌานเนี่ยเวลาออกจากฌานมานะตัวรู้มันจะเด่นดวงเหมือนมันเด่นดวงอยู่ได้ทีหนึ่งหลายๆวันนะแต่ไม่เกินเจวันมันก็เสื่อมแต่ถ้าทําสมาธิทุกวันนะมันหนุนกันเข้ามานะมันเหมือนมีตัวรู้ได้ตลอดเลยอยู่อย่างนั้นอ่ะพวกนี้เลยสําคัญผิดว่าตัวรู้เที่ยงเห็นว่าสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนนั้นยังมีอยู่อย่างนี้ไม่บรรลุโสดาบันเราไม่ต้องฝึกให้ตัวรู้เที่ยง แต่ตัวรู้ไม่มีเนี่ยใช้ไม่ได้ตัวรู้มีแล้วเที่ยงก็ยังใช้ไม่ได้ถ้าตัวรู้ไม่มีเลยมีแต่ตัวหลงไปอบายแน่นอนถ้ามีตัวรู้แล้วตัวรู้เที่ยงไปสุขติแต่ไม่ไปนิพพานนะแต่ถ้าเราเห็นว่าตัวหลงเกิดขึ้นหลงไปเรารู้ทันเกิดตัวรู้ตัวรู้อยู่ชั่วคราวจิตก็ทำงานอีกหลงไปอีกตัวรู้ก็ดับนะเกิดเป็นตัวหลงเกิดสติใหม่รู้ทันตัวหลงอีกตัวรู้ก็เกิดอีก เราจะเห็นว่ารู้ก็หลงหลงก็รู้เนี่ยสลับกันไปสลับกันมานะเราภาวนาเพื่อตรงนี้เพื่อให้เห็นตรงนี้ถึงจุดหนึ่งมันจะเห็นเลยว่าจิตที่หลงไปนะก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปจิตที่รู้อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปสนะุดท้ายถ้าดูได้ถึงขนาดนี้นะจะเห็นเลยว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถานบอลคำว่าอัตตาัตตานะมันเป็นความรู้สึก พี่ว่ามีอะไรอย่างหนึ่งที่เที่ยงถาวรเป็นอมตะไม่รู้จักตายแต่ถ้าเราพานาเป็นเราจะเห็นจิตไหลไปเรารู้ทันจิตไหลไปเรารู้ทันเนี่ยไม่ใช่ได้แค่สมาธิตรงที่จิตไหลไปเรารู้ทันปุ๊บเราได้สมาธิเราได้จิตผู้รู้ขึ้นมาจิตตั้งมั่นแล้แต่เราไม่รักษาตรงที่ไม่ได้รักษาให้มันตั้งตลอดเวลาเนี่ยตัวรู้มันก็ดับกลายเป็นตัวคิดตัวหลงขึ้นมาใหม่เราก็จะเห็นว่าตัวรู้ก็ไม่เที่ยง นะตัวหลงก็ไม่เที่ยงตัวรู้ก็ไม่เที่ยงเราจะเห็นว่าทั้งวันเนี่ยจิตมีสองชนิดเท่านั้นเองคือจิตหลงกับจิตรู้จิตหลงก็เราก็รู้ทันก็จิตหลงก็ดับจิตรู้รู้ทันนะอยู่ได้ชั่วคราวเราไม่ได้รักษาไว้มันก็ดับมีแต่สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเพราะฉะนั้นแค่เราปฏิบัติเนี่ยนะเราทากรรมฐานแค่คอยรู้ทันจิตหลงไปคิดเรารู้จิตหลงไปคิดเรารู้นี่แหละ ถ้ามองเป็นนะเดินปัญญาได้ด้วยไม่ใช่ได้แค่สมาธิคือจะเห็นว่าจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็สั่งไม่ได้จิตรู้ก็สั่งไม่ได้นะจะได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาเลยแต่ตัวนี้ละเอียดมากต้องอาศัยสติที่รวดเร็วเพราะว่าปกติเนี่ยจิตหลงไปเนี่ยเราอย่างรู้ไม่ทันต้องหลงไปพักหนึ่งแล้วถึงจะรู้ส่วนใหญ่ที่ทาได้นะก็คือจิตหลงไปแล้ว เกิดสุขเกิดทุกข์เนี่ยค่อยรู้พวกนี้ก็ยังดีบางคนจิตหลงไปคิดปรุงแต่งแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์ก็ยังไม่รู้ไปรู้ทันตอนที่เกิดกิเลสยังมีความสุขเนี่ยราคะแทรกมีความทุกข์โทสะแทรกไปรู้ตอนราคะโทสะแทรกก็อ ย, อยังใช้ไดนะ้ช้าหน่อยแต่ก็ยังดีนี่ราคะโทสะเกิดแล้วนะจิตกระโดดโลดเต้นดิ้นรนทํางานไปความทุกข์เกิดขึ้นไปเห็นตอนที่มันทุกข์แล้วเนี่ยตรงนี้แก้อะไรไม่ทันแล้ะ ต้องรับทุกข์ล้วรับวิบาก ค, ความทุกข์เป็นวิบากนะแก้ไม่ได้ถ้าแก้ต้องตัดวงจรตนะั้งแต่ไม่ให้กิเลสมันทํางานได้สติรู้ทันปุ๊บกิเลส ด, ดับนะไม่มีการปรุงแต่งทางใจขึ้นมาจิตไม่ได้ทํากรรมความทุกข์ไม่เกิดงั้นอยู่ที่ความเร็วของสตินะว่าจะรู้ทันได้เร็วแค่ไหนถ้าเร็วที่สุดนะแค่จิตไหลไปปุ๊บรู้ทันตรงนี้ยังไม่ทันจะปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วอะไรขึ้นมา กิเลสก็ยังไม่เกิดกุศลก็ยังไม่มีแต่ว่ามันเห็นวับไปแล้วเรารู้ตรงที่รู้เนี่ยเป็นกุศลชั้นเลิศเลยนะตรงที่รู้เป็นกุศลชั้นเลิศมีสติมีจิตตั้งมั่นนะแล้วก็เห็นความจริงว่าตัวหลงก็ไม่เที่ยงตัวรู้ก็ไม่เที่ยงเนี่นได้ปัญญาด้วยงั้นเวลาปฏิบัตินะรูปแบบของการปฏิบัติมีตั้งมากมายมหาศาลแต่ถ้าทําเป็นจริงๆนะจุดเล็กนิดเดียวนี้ก็พอแล้วครบหมดเลย เนื้อออกไหมจิตเผลอไปแล้วรู้ได้อะไรบ้างจิตเผลอไปแล้วรรู้รู้ว่าเผลอเดี๋ยวก็รู้เผลออีกรู้อีกเผลออีกรู้อีกเห็นการเผลอบ่อยๆจิตจำการเผลอได้แม่นอะไรจะเกิดเวลาจิตจาสภาวะได้แม่นสติจะเกิดเห็นไหมแค่จิตเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้ได้สติพอจิตเผลอแล้วรู้สติระลึกปุ๊บได้อะไรอีก ความเผลอนั้นการเคลื่อนไปนั้นเคลื่อนไปด้วยอํานาจของความฟุง้งซ่านทันทีที่สติระลึกรู้ความฟุ้งซ่านดับเมื่อความฟุ้งซ่านดับสมาธิเกิดเห็นไหมตรงที่จิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้นะสติก็ได้สมาธิก็ได้นะแล้วถ้าเคลื่อนไปแล้วกิเลสเกิดรู้ทันอีกนะศีลก็ เ, เกิดขึ้นเพราะเรากิเลสมจะครอบงำจิตไม่ไดนะ้นี่ปฏิบัติอยู่ตรงจิตจุดเดียวเล็กนิดเดียวนี้แหละมันจะได้ความดีครบทุกอย่างเลย กระทั่งปัญญาปัญญาก็จะเห็นว่าจิตรู้เกิดแล้วก็ดับนะจิตหลงเกิดแล้วก็ดับจิตเพ่งเกิดแล้วก็ดับจิตอะไรๆเกิดดับหมดเลยแต่ถ้าแค่หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้เนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปเพ่งถ้าเพ่ง้วเสียเวลานานนะหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้สุดท้ายก็จะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนี่เป็นตัวปัญญาดังนั้นพวกเราต้องสนใจหน่อยนะทุกวันแบ่งเวลาไว้ทําในรูปแบบ ใครรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปคิด<ม>เบื้องต้นหัดรู้ไปก็จะได้สติต่อไปจิตไหลไปคิดไม่ได้เจตนาจะรู้มันรู้ของมันเองนั่นเรียกว่ามีสติสติอัตโนมัติเกิดพอส ต, ติสอัตโนมัติเกิดแล้วนะถ้าจิตไหลไปคิดรู้ปั๊บในขณะที่รู้ขึ้นมานั้นน่ะเกิดสมาธิเรียบร้อยแล้วจิตดวนั้นมีสมาธิมีสติอยู่ด้วยกันเลยแล้วก็จะเห็น จิตหลงก็เกิดดับจิตรู้ก็เกิดดับก็เป็นปัญญาเนี่ยสะสมไปมากมากเข้านะฝึกอยู่ที่จิตที่ใจนี่แหละเวลาที่อริยมรรคจะเกิดนั้นมันจะเกิดที่จิตที่เดียวไม่เกิดที่อื่นเลยไม่เกิดที่ตาไม่เกิดที่หูไม่เกิดที่จมูกไม่เกิดที่ลิ้นไม่เกิดที่กายไม่เกิดที่ไหนเลยเกิดที่ใจดวงเดียวที่จิตนี่เองเวลาที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ย สมาธิมันจะตั้งมั่นขึ้นที่จิตตั้งอย่างประนีตลึกซึ้งถึงขั้นอัปปนาสมาธิอย่างพวกเราเวลาหัดเราเข้าฌานไม่เป็นนะจิตลงแล้วรู้จิตลงแล้วรู้เงี้ยไปด้วยแต่เวลาที่กำลังมันพอแล้วคุณงามความดีทั้งหลายที่เราสร้างสเป ส, สป่าไปทุกวันทุกวันนะทํโน้นทานี่ทํโน้นทนํา น, น, นี้ความดีมันกระจัดกระจายไปหมดนะนะแต่ว่าเราฝึกให้จิตตั้งมั่นบ่อยๆนะ ต่อไป พ, พอจิตมันตั้งมั่นบรารมีมันพอแล้วเนี่ยมันจะรวมความดีทั้งหลายเนะี่ยมันจะรวมลงมาที่จิตดวงเดียวด้วยอํานาจของสมาธิด้วยสัมมาสมาธิพระพุทเจ้าถึงบอกว่าสัมมาสมาธิเนี่ยเหมือนภาชนะเหมือนภาชนะนะที่รองรับองค์มรรคทั้งเจ็ดที่เหลือรวมทั้งคุณงามความดีทั้งหลายนะองค์ทำเรียโพธิปักขียธรรมทั้งหลายนะมันจะมารวมลงที่จิตดวงเดียวในขณะจิตเดียว ด้วยอำนาจของสมาสมาธิงั้นถ้าหากเราฝึกนะเราไม่เคยฝึกสมาสมาธิเลยไม่เคยฝึกให้จิตอยู่กับจิตเลยมีแต่จิตหลงไปอยู่กับอารมณ์นั่งสมาธิก็จิตไปอยู่ที่อารมณ์หนะลงมากกว่านั้นก็เห็ น, นิมิตรอะไรเงี้ย่ังนั้นไม่มีวันเกิดอริยมรรคเลยเพราะมันอยู่นอกจิตอย่าเป็นคนนอกใจนอกใจภรร ย, ยายังไม่เท่าไหร่นอกใจตัวเองนี่นะเวียนว่ายตายเกิดไม่เลิกหรอก นอกใจภรรยาอย่างม้า ก, ก็ตายครั้งเดียวเพราะภรรยาไม่ยอมแต่นอกใจตัวเองมันเคลื่อนหนี <c oughs> เคลื่อนหนีไปอย่างเงี้ยโอ้ยตายแล้วตายอีกตายนับชาติไม่ท่วเนลนยนะที่ต้องมาวนเวียนอยู่เนิ่นนานทุกวันนี้นะมันลาบากยากเขียนอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะจิตเรามันหลงไปอย่างนี้แหละเคลื่อนไปเรื่อยไม่กลับเข้ามาหาตัวเองนะถ้ามันทวนกระแสนะกลับเข้ามารู้เนื้อรู้ตัว จำไว้นะต้องรู้ตัวโดยที่ไม่ได้บังคับไว้นะถ้าบังคับเนี่ยตึงไปถ้าไหลไปหลงไปหย่อนไปพอนะเรารู้ทันมีสติรู้ทันว่ามันเคลื่อนมันจะตั้งมั่นโดยไม่ได้เจตนาตัวตั้งมั่นโดยไม่เจตนาเนี่ยดีที่สุดนะตัวนี้แหละงั้นเวลาเราพภานะถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิมจะทวนเข้ามาที่จิตนี้แหละพอทวนเข้ามาที่จิตแล้วเนี่ยถ้าบารมีพอคล้าย ทรัพสมบัติสะสมมามากพอแล้วมันจะมาฆ่ากิเลสมันจะมาฆ่ากิเลสลงที่จิตเองกิเลสในส่วนลึกของจิตคือตัวสังโยชน์จะถูกทําลายไปแต่ตัวอาสวะยังทนทานนะอาสวะนี่ทนมากเลยไอ้สังโยชน์ถูกฆ่าตายตัวไหนถูกฆ่าด้วยมากแล้วเนี่ยจะไม่เกิดอีกขาดแล้วขาดเลยแต่ตัว อาศวะกิเลสนะโสดาปฏิมากเกิดนะมันก็ขาดนะแต่แป๊บเดียวมันก็กลับมาอีกแล้วมันเป็นกิเลสที่พิสดารมันเป็นตัวคล้ายๆอย่างนี้นะคล้ายๆอย่างเรามีพื้นปูนอย่างเงี้ยเราทำน้ำหกไที่พื้นน้ำมันก็ไหลไปเป็นเส้นเราก็เช็ดนะให้แห้งเลยนะมันยังมีคราบความชื้นอยู่ที่พื้นพอทาน้าหกครั้งใหม่นะมันจะไหลไปช่องเก่าเลย ไอ้ตัวอาสวะเนี่ยมันเป็นตัวที่เหนี่ยวนาให้กิเลสนะเข้ามาย้อมจิตนะเป็นช่องที่จิตมันเคยชินที่กิเลสมันจะตามช่องนี้เข้ามาย้อมจิตได้ครั้งที่หนึ่งก็ไม่ขาดครั้งที่สองขาดแป๊บเดียวแล้วก็ปิดขาดแป๊บเดียวก็ปิ ด, ด, บบ ด, ปดครั้งที่สามก็แป๊บเดียวก็ปิดต้องสี่หนนะก็สี่ครั้งแต่ว่าพวกเราเอาให้ได้สักครั้งหนึ่งก่อนนะ หลวงพ่อเทศเผื่อๆไว้นะบางคนไม่ค่อยได้เจอกันได้ไปฟังไว้ก่อนเหมือนหลวงพ่อนะหลวงปู่ดูนท่านสั่งไว้ครั้งสุดท้ายที่เจอท่านอ่ะครั้งสุดท้ายที่เจอท่านท่านสั่งไว้ว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตชี้จะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงท่านว่าอย่างนี้นะที่จริงท่านพูดมากกว่านี้นะมีประโยคหนึ่งแต่ฟังแล้วน่ากลัวเลยไม่ค่อยได้พูดให้ฟัง ผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตพบพระพุทธเจ้าให้ฆ่าเสียนั่นะถึงความบริสุทธิ์กันแท้จริงพุทธะตัวนี้ไม่ใช่อะไรหรอกคือตัวจิตผู้รู้นั่นเองนะคำว่าพระพุทธเจ้าไม่ใ ช, พาชาธธ่พระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธเจ้าโคตมะอะไรนี้ไม่ใช่นะักใครฆ่าท่านไม่ได้ท่านพ้นจากความเกิดความตายไปแล้วไม่มีใครทำลไรไดนะ้แต่ว่าคำว่าพบพระพุทธเจ้าให้ฆ่าเสียเนี่ย คือพุทธะตัวนี้คือตัวพุทโธตัวจิตผู้รู้เหล่านี้เองนี่เราต้องมีจิตผู้รู้ก่อนนะพวกเรามีแต่จิตผู้หลงใช้ไม่ได้เราต้องมาฝึกจนได้จิตผู้รู้ที่สอนทุ้วันทุ้วันนะจิตเคลื่อนแล้รู้จิตเคลื่อนแล้รู้เนี่ยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเช่นพุทโธพุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธพุทโธไปจิตไหลไปอยู่ในความว่างรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทัน ดูท้องพองยุบจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งทองรู้ทันแบบเดียวกันหมดเลยไม่มีสายไหนสายไหนกรรมฐานอะไรก็เหมือนกันหมดนะแหละถ้าเรารู้ทันจิตเราก็ใช้ได้ถ้าไม่รู้ทันจิตนะกรรมฐานอะไรก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันหมด น, นพดะพุทโธพุทโธไม่รู้ทันจิตตัวเองก็เคลือบเคลื่อนไปนะหายใจไปไม่รู้ทันจิตตัวเองเกิดนิมมงนิมิต น, นะเกิดแสงเสริออะไรขึ้นมานะหรือไปดูท้องพองยุบนะบริกรรมไปเรื่อยๆๆื่อรื่รนะ บังคับตัวเองไปเรื่อยๆเครียดจัดๆสติแตกก็มีนะสติแตกไม่ได้มีเฉพาะพองยุบนะมีทุกสำนักเลยยกเว้นสำนักหลวงพ่ อ, อยังไม่เคยเจอมีพวกสติแตกมาเรียนบางคนก็หายนะบางคนไม่หายบางคนแก้ไม่ได้เป็นมากเกินบางคนติดมากก็แก้ไม่ตกก็เป็นจรเราหลานนั้นพอสู้ไหม ปีใหม่นี้เราควรจะทำอะไรตั้งใจยังตั้งใจไว้นะล้วคอยตอนนี้ต้องฝึกให้มีตัวรู้ก่อนทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตไหลไปแล้วรู้แล้วก็จะได้ตัวรู้ขึ้นมาเราไม่รักษาแล้วก็ทำกรรมฐานของเราต่อไปอีกจิตไหลอีกรู้อีกจิตไหลอีกรู้อีกเนี่ยฝึกไปได้่อยในที่สุดเราก็ได้ตัวรู้ขึ้นมาตัวรู้เหมือนเรือตัวรู้เหมือนเรือนะ เราอาศัยเดินทางข้ามมหาสมุทรต้องอาศัยเรือไปถ้าเราไม่มีตัวรู้เราข้ามวัตฏะไม่ได้เราจมน้ําไปก่อนตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกอยู่ในนั้นแหละนะอยู่ในมหาสมุทรคือวัตฏะอันนี้มีตัวรู้เราก็ภานาไปนะนี่ถ้าเราลงเรือแล้วเราไม่รู้ทิศทางว่าฝั่งอยู่ทางไหนนะมันอาจจะวิ่งวนรอบมหาสมุทรไม่ขึ้นฝั่งทันทีก็ได้ไหม งั้นตัวสมาทิฐิจะบอกเราว่าเราอย่ปฏิบัติอย่างไรมุ่งไปที่ไหนให้เราปฏิบัติเนี่ยพอเรามีตัวรู้แล้วนะเหมือนมีเรือแล้วก็ต้องรู้ว่าจะไปทิศเหนือที่ใต้จะไปทางไหนทางที่เราจะไปนะพระพุทธเจ้าท่านจุดโคมไฟเอาไว้แล้วนะเรียกเหมือนประภาคารอะไรอย่างเงี้ยสมัยโบราณต้องมีประภาคาร๋ยวนี้ไม่ต้องใช้ดาวเทียมนาทางนโบราณเนี่ยเปรียบเหมือนจุดไฟไว้ หวังว่าคนมีตาจะมองเห็นท่านบอกทางไว้แล้วบอกว่าให้พาวนายังไงนี่พอเรามีตัวรู้แล้วเราเดินตามร่องรอยที่พระพุทธเจ้าบอกในทิศทางที่ท่านสอนนะก็คือมาทําวิปัสสนากรรมฐานนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคนแต่ละคนตกอยู่ในทะเลเนี่ยนะแล้วจะหาทางขึ้นบกเนี่ย บอกของแต่ละคนมันอยู่คนละทางนึกออกไหมบางคนต้องมุ่งหน้าทางเหนือก็เจอแผ่นดินนะสมว่ามันเป็นเกาะอยู่เกาะหนึ่งคนมันตกอยู่รอ บ, รอบๆบเกาะบางคนไปทางเหนือเจอเกาะบางคนต้องลงทางใต้ถึงจะเจอเกาะนี่ก็เหมือนกันถ้าเรารู้ทิศทางแล้วว่าเราต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานบางคนใช้กายบางคนใช้เวทนาบางคนใช้จิตบางคนใช้ธรรมไม่เหมือนกันหรอกทําไมไม่เหมือนกัน เพราะแต่ละคนอยู่กันคนละทิศคนละทางอยู่คนละที่จะไปที่จุดเดียวกันแล้วไปเดินทิศเดียวกันนะหากันไม่เจอเลยมันขนานกันไปหมดอนะ่ะงั้นเราต้องดูตัวเองควรกรรมฐานอะไรควรจะทํากรรมฐานอะไรก็รทํากรรมฐานอันนั้นแหละนะควรดูกายก็ดูกายควรดูเวทนาก็ดูเวทนาควรจะดูจิตก็ดูจิตควรจะดูธรรมก็ดูธรรมมันมี2กลุ่มใหญ่ๆสอนแล้วสอนอีกนะเรื่องที่หลวงพ่อสอนขึ้นบนไปบนมาฟังแล้วซ้ำซากไหม ซ้สำสร้างแน่นอนเลยเพราะกิเลสมันก็มีอยู่ราคาตัว3ามโมหะเนี่ยจะให้พูดอีกตัวที่4เนี่ยก็ไม่มีจะให้พูดนะส่วนความดีก็มีศีลสมาธิปัญญาจะให้หาตัวที่4มาพูดก็ไม่มีอีกแล้วก็มีอยู่เท่านี้เองนะหรือการเจริญสติปัฏฐาน4มันก็ไม่มีสติปัฏฐาน5ให้เรียนละไม่มีสุญญตาสติปัฏฐานอะไรไม่มีนะมันก็มีอยู่เท่านี้เองเพราะฉะนั้นเวลาเรียนกรรมฐานก็เรียนซ้ําแล้วซ้ําอีกอยู่นี่แหละแล้วเวลาลงมือปฏิบัตินะก็ซ้าแล้วซ้ําอีก ดูอย่างเราดูกายก็ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะมีจิตตั้งมั่นขึ้นมาเรามีสมาธิที่ดีแล้วมีจิตตั้งมั่นขึ้นมาเห็นร่างกาย master, มันทำงานจิตเป็นคนดู mm. <อ>เกิดสติเกิดปัญญาแล้วก็เห็นร่างกายนี้ไม่ใช่เราร่างกายไม่ใช่เราร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่อย่างนี้ใช้ได้หรือดูเวทนาความสุขความทุกข์ความสุขความทุกข์อยู่ที่กายก็มีอยู่ที่ใจก็มี ถ้าความสุขความทุกข์อยู่ในกายเราก็ดูว่าความสุขความทุกข์ก็อันหนึ่งร่างกายก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งนี่ฝึกอย่างนี้ถ้าความสุขความทุกข์อยู่ที่จิตเราก็เห็นว่าความสุขความทุกข์ก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งดูอย่างนี้นะค่อยฝึกไปด้วยอย่างน้อยต้องแยกขันได้สองขันแล้วขันหนึ่งในสองนะที่ต้องแยกแน่นอนคือจิตออกมาจิตจิตเป็นวิญญาณขันถ้ามีจิตกับมีสิ่งอื่นนะถ้าแยกได้สองอันอย่างเนี้ย ความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนจะไม่มนะีแต่ถ้าจิตไปรวมเข้ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วนะจะรู้สึกเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานะฝึกหนะ้าฝึกเราจะได้ดีกับเขาบ้างจะว่ายากก็ยากนะมันยากสำหรับคนที่ไม่เคยฟังหรือฟังไม่พอจะว่าง่ายก็ง่าย คือถ้าคนไหนฟังธรรมะจนจิตมันตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่ต้องทําอะไรเท่าไหร่ละรักษาศี่ห้าไว้เท่านเองนะแล้วทําในรูปแบบไปเวลาที่เหลือเนี่ยมันอยู่ในชีวิตธรรมดาเหมือนไม่ได้ทําอะไรเลยเหมือนคนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเพราะคนธรรมดานะมันหลงกิเลสมันเห็นรูปมันก็หลงรูปได้ยินเสียงมันก็หลงกับเสียงได้กลิ่นมันก็หลงกลิ่นได้รถมันก็หลงรถคิดนึกขึ้นมามันก็หลงเรื่องที่คิดเอง ของเราก็ตาก็มองเห็นเหมือนที่คนอื่นเขาเห็นนั่นแหละแต่เห็นแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเรารู้ต่างกับเขานิดเดียวตรงที่สุขทุกข์ดีชั่วเกิดแล้วเรารู้เนี่ยคนอื่นเขามารู้กับเราไหมเขาไม่รู้เลยเพราะงั้นเวลาที่เราปฏิบัตินะอยู่ในชีวิตประจำํำวันเนี่ยคนอื่นเขาไม่รู้ว่าเราปฏิบัติหรอกหลวงพ่อปฏิบัติเนี่ยไม่ค่อยมีใครรู้หรอกนะเขารู้สึกแต่ว่าทําไมดูเรามีความสุขยิ้มทั้งวันเลย่อก่อนอยู่ทํางานอยู่ทําเนียบนะ เดินก็เดินยิ้มก็มันมีความสุขอะทาไมมีความสุขอะก็เห็นธาตุเห็นขันมันทำงานไปเรื่อยเรืเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมันก็ดูมันเรียนรู้จากมันไปเรื่อยๆมีแต่ความสุขนะนใจมันมีความสุขหน้าตามันก็ยิ้มช่วยไม่ได้อะก็มันจะยิ้มอ ะ, อะเขาเครียดเราไม่ค่อยจะเครียดกับเข า, เขาสบายแต่คนเขาไม่รู้นะว่าภาวนาะคนเขาไม่รู้หรอกไม่ได้ไปเดินให้เขาดู พรากเราบางคนนะชอบอวดว่าเป็นนักปฏิบัติตัวนี้อันตรายนะเวลาเราไปอวดเป็นนักปฏิบัตินะถึงเวลาเราก็ต้องไม่เอาฉันไม่คุยกับเธอแนละ้วฉันจะนั่งนะนะถึงเวลาแนละ้วฉันจะเดินแนละอย่างเงี้นะต้องโชว์ไปเรื่อยๆนะอันแรกเลยที่จะถูกคือเวลากิเลสเราเกิดนะเขาจะดา่าเราึภาวนายังไงไม่เห็นจะดีขึ้นเลยกิเลสท่วมหัวเหมือนเดิมนะพูดอย่างกับกิเลสล้าง่ายเนานะ แต่ถ้าเราไปอวดแค่ว่าเรานักปฏิบัตินะจะโดนข้อหาเนี้ยใครโดนบ้างยกมือสิ <c oughs> ใครโดนว่าภาวนามาเข้าวัดมาตั้งนานแล้วเห็นจะดีขึ้นเลยยกมือสูงสูงเลยกล้ากล้าหน่อย <c oughs> เนี่ยไปให้เขารูนะ้ถ้าเขาไม่รู้เราภาวนากลมกลืนอยู่ในใจนะไม่มีใครรู้หรอกนะแต่สัตว์มันรู้นะพวกสัตว์เนี่ย ม, มันมีความรับรู้ได้ อย่างใจิตใจเราร่มเย็นเป็นสุขนะสัตว์มันไม่กลัวเรามีสัตว์อยู่สองจาพวกเท่านั้นที่เราเจริญเมตตายัางไงนะมันก็ไม่ค่อยรู้นะคือกวตัวหนึ่งนะกวกับคนมีสองจาพวกนี้แหละไม่รู้มันเป็นสปีชีส์เดียวกันหรือยังไงอย่างงูเงอะไรนะงูมานี้เราเจริญเมตตาอยู่นะั้งงูไม่ดูหรอก งูไม่ไม่ดุไม่ใจร้ายยกเว้นเราไปเหยียบมันเข้าถ้าเราอยู่เฉยๆเข้ามาเข้าเข้าไปไอ้งูเกเลอะไรแบบไม่มีไม่เห็นนะเนี่ยสัตว์ทั้งหลายมันยังรู้เลยแต่คนนีความรู้สึกยังไงก็ไม่รู้มันดูไม่ออกอะ่ะคนก็ควายอย่างควายเนี่ยแผ่เมตตาให้มันนะมันกำลังวิ่งมาแผ่เมตตาให้มันมันก็ปิดครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังนะหลายวงแล้วละ่ะแล้ทั้งหลกงปู่ดูลนะ ไปเจอควายทุ่งไปเจอควายควายก็วิดท่านาท่านก็ลมไปนะมนก็ปิดใหญ่เขานิ่มก็ปักตรงนี้เขานี้มันก็ปักตรงนี้นะมันปิดดินอยู่งั้นนะมันไม่ปิดถูกตัวท่านสักทีนะมันปิดจนมันเมื่อยอะ่ะมันก็ไปท <c oughs> ่านก็ไม่เป็นไรนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเล่าให้ฟังท่านเดินไปด้วยกันหลายองค์ พวกพระก็คุยบอกว่าผมไม่กลัวกวายเห็นกยอยู่ข้างหน้าผมไม่กลัวกวายหรอกผมเป็นชาวนาอยู่กับกไอยมาแต่เด็กแล้วไม่กลัวหรอกถ้ากวายมาหน้าตวาดทีเดียวควายก็หนีและเนี่ยครูประจันองนี้ท่านก็ฟังเงียบๆไม่พูดอะไรเดินๆไปนะจะใกล้กไอยกวายเป็นไล่เลยพระองค์นี้ก็ออกหน้าเลยตวาดเฮ้ยควายวิ่งใส่องค์นี้เลย ท่านก็วิ่งเลยนะองค์นี้ก็วิ่งหนีขึ้นต้นไม้ไปเลยนะสบงจีวรไหลลุนหมดเลยนะขึ้นไปอยู่บนต้นไม้นะอีกองค์หนึ่งท่านก็องค์ที่ครูบาอาจารย์เนี้ยป่ายมันีก็มามันก็มาปิดไปปิดมาอยู่รอบๆตัวท่านท่านก็เจริญเมตตางท่านไปนะเจริญเมตตาไปมันสักพักหนึ่งท่านทําอีท่าไหนมันร่วงมันก็ไปจําไม่ได้แล้วรู้สึก ท่านไล่มันยังไงดูอันดีเดียวว่าไปเรียกให้พระทั้งหลายกลับมารวมตัวนะองค์ที่เก่งที่สุดนะยังอยู่บนต้นไม้องค์ที่จตวาดกายหลอกบอกลงมาลงไม่ได้ไม่มีผ้านุ้งแล้วน่ะกายนี่กายนะกับคนคนนี้อันตรายมากเลยมันไม่รู้ผิดชอบชั่วดีนะมันร้ายมากนะ งันเราภาวนานะกลืนอยู่ในชีวิตจริงๆไม่ต้องบอกเขาหรอกถ้าเราบอกมากๆนะี่ยุ่งเราภาวนาสบายไม่มีใครยุ่งกับเราพอไหวไหมสี่ห้าสี่ห้าดีหรื อ, อยังปีนี้เอาใครประเมินตัวเองนะทุกคนประเมินตัวเองปีที่ผ่านมาใครพอใจในตัวเองในเรื่องศีลบ้างยกมือสิมีไหม ดีขึ้นไม่ต้องว่าไม่เคยขาดเลยอะ่ะเป็นฆราวาสศีลไม่เคยขาดเลยยากมากนะใครดีขึ้นยกให้ชื่นใจสิโอ้ชื่นใจนะพระนี่ไม่ยกไม่ยกเพราะดีอยู่แล้วเพราะดีอยู่แล้วไม่ต้องดีขึ้นเนี่ยพราะมดีเต็มที่แล้วก็ไม่ขึ้นแล้วสิใช่ไหมนี่เราพูดเข้าข้างพระด้วยกัน แต่โยมนะดีขึ้นก็ดีแล้วแล้วใครจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวได้มากขึ้นมีแม้ยกซิได้ยอดโอ้ได้มีหน้าเหรที่หลวงพ่อประเมินไวน้นะใช้ได้แล้วประเมินถูกใครแยกรูปนามได้แล้วไม่เต้แยกทั้งหวันนะแยกเป็นข่าวคล้าวยกมือซิยกมื อ, ก, มอก็เยอะเหมือนกันใครเคยเห็นรูปนามไม่ใช่ตัวเราบ้าง เห็นร well, ูปไม่ใช่ตัวเราใครเห็นร่างกายไม่ใช่เราบ้างใครเห็นจิตไม่ใช่เราบ้างใครเคยเห็นบ้างว่าจิตไม่ใช่เราจะเหลือน้อยแล้วนะอันนี้เป็นปกติมันจะเห็นก่อนว่ากายไม่ใช่เราจะเหลือจิตเป็นเรายิ่งพวกที่ไปทาสมาธิแล้วไปได้ตัวผู้รู้มานะแล้วตัวผู้รู้เที่ยงเนี่ยจะรู้สึกตัวผู้รู้เป็นเราไม่หายไปหรอกถ้ายังสงวนสิ่งใดสื่งหนึ่งเป็นตัวเราอยู่เนี่ยยังไม่ได้พระโสดา พระพัสดาเนี่ยเห็นขันห้าไม่ใช่เราไม่มีเราในขันห้าไม่มีเรานอกเหนือจากขันห้าที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีเรานะงั้นเราพาวนาเราไม่ได้ไปสงวนตัวรู้ไว้นะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันจะเห็นเห็นร่างกายไม่ใช่เราเห็นก่อนก่อนที่จะเห็นร่างกายไม่ใช่เราเนี่ยมันจะเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายไม่ใช่เราอารมณ์คือสิ่งที่รู้อันนี้คนทั่วๆไปเขาก็เห็นอย่างตาเขาเห็นรูป อย่าเราเห็นหมาเดินมาเนี่ยใครเห็นหมาเป็นตัวเราบ้างมีไหมออถ้าอย่างนี้เข้าโรงพยาบาลบ้าแล้วเนี่ยคนทั่วๆไปเขาก็เห็นอารมณ์ภายนอกเนี่ยมันไม่ใช่เราใชแต่ร่างกายเป็นเราเนี่ยอันนี้ใครๆก็รู้สึกแต่พอเรามาหัดภาวนานะจิตมันตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมาปุ๊บมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูปุ๊บเนี่ยไม่นจะเห็นร่างกายไม่ใช่เราละจะเห็นทันทีว่าร่างกายไม่ใช่เราแต่ สภาวะอันนี้นะคนนอกศาสนาพุทธก็เห็นได้เป็นคร่าวๆจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราเห็นได้เป็นคราวๆเพราะอะไรเขาเห็นว่าคนนั้นมันก็ตายไปคนนี้มันก็ตายไปมันก็น้อมใจเชื่อนะว่าไอ้นี่อีกหน่อยมันก็ตายเหมือนกันมันไม่อยู่กับเราตลอดมันเชื่อมันเชื่อว่าร่างกายเนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้ววันหนึ่งต้องตายแต่มันมองไม่เห็นนะว่าจิตเกิดดับยึดชิดแต่ว่าจิตใจมีอยู่ ถ้าหากร่างกายนี้ตายจิตจะไปเกิดใหม่นี่พวกหนึ่งนะอีกพวกหนึ่งคิดว่าพอร่างกายตายจิตนี้ก็ดับไปด้วยนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิสองพวกพวกหนึ่งเห็นว่าร่างกายตายจิตจะไปเกิดใหม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเรืียกสัจสตาทิฏฐิอีกพวกหนึ่งเห็นว่าพอร่างกายตายจิตก็ตายไปด้วยแล้วก็สูญไปเลยไม่มีอะไรเลยนี่ก็มิจฉาทิฏฐิชื่ออุเฉทิตทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าเราพอนาเป็นเราจะเห็นนาจิตเกิดดับสืบเนื่องกันทั้งวันทั้งคืน นะหมุนไปเรื่อยๆนะจนขณะสุดท้ายแล้วเขาเรียกว่าจุติจิตจิตดวงสุดท้ายในชีวิตของเราทุกคนจะได้เจอนะทุกคนจะได้เจอจิตดวงนี้ยังไงก็ต้องเจอคือเรียกว่าจุติจิตจิตดวงสุดท้ายที่จะตายจากภพนี้ทนะําไมเรียกจุติจุติว่าเคลื่อนนะในตาําราบอกว่าเคลื่อนจากอัตภาพอย่างเป็นมนุษย์เนีย่ยเคลื่อนจากอัตภาพมนุษย์ไปเรียกว่าเคลื่อน แล้วก็จิตดวงใหม่ไปเกิดในภพใหม่แต่จริงๆแล้วดวงสุดท้ายนี่มันเคลื่อนจริงๆนะตัวมันนี้หมุนติ้วเลยหมุนจีเลยนะหมุนสุดขีดเลยนะตายตรงนั้นเลยนะแล้วดับตรงตัวนั้นแล้วมันเหนี่ยวนําให้วัตตะอันใหม่นะหมุนขึ้นในภพใหม่แล้วมันถ่ายทอดนะไอ้ตัวใหม่นี่ยมันรับเอาวิบากของตัวเก่าไปมันคล้ายๆมันเป็นลูกของจิตตัวเก่านะลูกไม่ใช่ตัวเดียวกับพ่อแม่ใช่ไหม แต่ลูกมันรับสมบัติของพ่อแม่ไปรับหนี้สินไปรับทรัพย์สินไปไอ้จิตดวงใหม่ที่เกิดในภพใหม่เนี่มันก็รับเอาหนี้สินคือเวรกรรมทั้งหลายที่ทําไว้หรือรับเอาทรัพย์สินบุญกุศลที่เราสร้างไว้ไปไปสืบต่อไปอีกพวกเรารักลูกไหมบางคนทํางานนะมีเงินกินเยอะแยะละอยากหาเงินเยอะๆเลยเพื่อเอาไว้ให้ลูกใช่ไหมอืมแล้วเราก็มีนะจิตในภพใหม่เนี่ยเหมือนเหมือนลูกของเรา เื็นลูกของเราเพราะงั้นหาสมบัติไว้ให้มันบ้างนะอย่าเอาหนี้ไปให้มันมากนะ <c oughs> เอาสมบัติไปให้มันบ้างนะมีทานศีลภาวนาอะไรก็ทำของเราทุกวันทุกวันต่อไปลูกเราใน้พต่อไปนะมันร่ำรวยฐานเดิมมันเยอะและ้วเวลาเข้ามาฟังธรรมนิดเดียวซีดีหลวงพ่อประโมทคงยังอยู่ เปิดฟังปิ๊งเลยนะเข้าใจอย่างรวดเร็วเลยเพราะอะไรเพราะสมบัติมันเยอะพวกเราตอนเด็กๆ เ, เนี่ยเคยมีไหมในภาวะที่เกิดตกใจแล้วตัวรู้เกิดขึ้นเกิดรู้สึกตัวขึ้นมาตื่นฟลงขึ้นมาใครเป็นบ้างยกมือสิเนี่พวกของเก่าเยอะนะใครๆพ่อแม่คือจิตในชาติก่อนเนี่ยสะสมเอาไว้ให้ใครรักษาศีลก็ยาก ทำสมาธิก็ยากจะให้ทานก็ยากทําอะไรยากไปหมดเลยยกมือซิมีไหมไม่มีเลยนะเออถ้างั้นแสดงพ่อแม่รวยมาทุกคนเลยนะรวยมากรวยน้อยนะจิตที่เคยทําดีนะมันก็ทําดีง่ายจิตที่เคยทําชั่วก็ทําชั่วง่ายเนะี่ยคนเคยเถียงกันนะว่าดีกับชั่วไหนทําง่ายกว่ากันพระเจ้าท่านตอบดีนะคนดีทําดีง่ายคนชั่วทําชั่วง่าย คนดีก็ทำชั่วยากคนชั่วมก็ทำดียากอย่างจิตของพวกเรานะถ้าภาวนานิดหน่อยมันก็ตื่นได้นะแสดงว่ามันมีของเก่าแล้วพวกเราเห็นแยกธาตุแยกขันได้นะคนที่แยกธาตุแยกขันได้เนะี่ยไม่ใช่คนที่นับหนึ่งหรอกการแยกธาตุแยกขันได้เนะี่ยยากมากเลยยากมาก ด, ดูคนในโลกทั้งกี่พันล้านคนที่แยกธาตุแยกขันได้มีกี่คน งั้นคนที่สามารถเห็นกายก็อยู่ส่วนหนึ่งใจก็อยู่ส่วนหนึ่งความรู้สึกอยู่ส่วนหนึ่งไม่ใช่จิตไม่ใช่กายอะไรเงี้ยไม่ใช่คนที่เริ่มต้นใหม่นะพวกเราที่เมื่อกี้ยกมือนะที่แยกได้แยกกายแยกจิตได้อะไรได้ไม่ใช่คนที่นับหนึ่งละต้องมีของเก่าที่สะสมมามากเฉียวมากเลยนะนะงั้นต่อยอดอีกนิดหน่อยไม่ใช่เกิดมาร่ำรวยแล้วก็ทะหงสมบัติมีไหม ก็เกิดมาร่ำรวยแล้วทำลายสมบัติมนะีเกิดมาก็จิตพร้อมที่จะดีก็ทำแต่ชั่วทำแต่ชั่วไปเรื่อยๆสมบัติก็ล่อยหลอไปเรื่อยๆนะงั้นตั้งอกตั้งใจนะปีใหม่ละฝึกเอาให้ดีให้ได้โดยเฉพาะจะต้องฝึกให้จิตถึงฐานจริงๆรู้เนื้อรู้ตัวให้ได้โดยที่ไม่ได้บังคับแล้วคุณงามความดีทั้งหลายที่เราทำในแต่ละวันแต่ละวันมันจะมารวมกัน ถึงวันที่บารมีมันแก่รอบเต็มที่พลังที่ดีทั้งหลายมันจะมารวมตัวกันในขณะเดียวกันแล้วทำลายกิเลสส่วนลึกในจิตใจของเราไปเราก็จะย่นวัตตะของเราไปเรื่อยๆนะไม่เกินเจ็ดชาติก็จะถึงที่สุดแห่งทุกขนะ์ถ้าทำได้สองครั้งไม่มาเกิดอีกทีเดียวมาเกิดอีกครั้งเดียวถ้าทำได้สามครั้งไม่ต้องมาเป็นคนละ ทำได้สี่ครั้งก็ไม่ต้องเกิดละที่ไหนก็ไม่ต้องเกิดมีแต่ทุกทุกครั้งนั่นเลยที่ที่เกิดนะ่ะถาวนาเขามันขาดแล้วนะมีชีวิตเหลืออยู่ก็ร่มเย็ยนเป็นสุข อ, ะอ่ะพอสมควรแล้วนะนะการาบหลวพ่อครับผมมีวันหนึ่งเห็นภาพมันขึ้นมาเห็นอะไรนะเห็นภาพนะภาพที่เคยเห็นหรือเปล่า สัญญามันผุดขึ้นมาผุดขึ้นแล้วก็มองเฉยๆแล้วก็สภาพัภาพมันดับไปเกิดใหม่อีกภาพหนึ่งเป็นเรื่องใหม่ออืแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเกิดสี่ครั้งปุ๊บอยู่ดิจิมันก็วิ่งกลับมาหาเรามันใชโยตัวเราไม่มีอดีใจมากเราพอใชโยนั้นรวมปุ๊บมาเป็นตัวเราโผล่มาแลต่ไม่กิดส่งแค่นั้นหอวงพ่อกำลังกลุ่มใจ ว่าตัวเราไม่มีเนี่ย ม, มันมีความสุขอยู่สองวันแล้วก็ออมันก็เป็นตามนั่นแหละเวลาที่ปัญญาเกิดนะจะมีความสุขอยู่ช่วงหนึ่งครับไม่ใช่เพราะสมาธิหรอกนะเวลาสมาธิเกิดนะก็มีความสุขเวลาปัญญาเกิดก็สุขนะสุขคนละแบบกันใช่ครับมันมันอิ่มโมโมีใจนะสุขของปัญญาครับมันเกินกว่าสุขที่เคยเห็นเออได้แหละครับแล้วก็หลังจากนั้นพอมาฟังหลวงพ่อเรื่อง ให้ยิ้มหวานพอยิ้มหวานปุ๊บมันเหมือนว่าพอดีพอดีเลยจิตแต่ก่อนก็เคยเไปชอบจ้องไปเพ่งนิดนึงนะแข็งไว้ที่ให้ยิ้มหวานหวานนะ่ะยิ้มออกมาจากข้างในเลยนะถ้ายิ้มแต่หน้านะมันจะยิ้มเงีนะ้ยมันไม่หวานอนะ่ะนัอนใจนันต้องยิ้มออกมาเลยถ้าใจมันยิ้มปุ๊บนะสมาธิจะเกิดทันทีเพราะความสุขมันเกิดความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ ก็เลยไปไปหลุดออกจากไอ้ความเพ่งกับความเผลอแบบมันจะเห็นกลางๆแล้วไม่ตั้งเอาไว้ละอีกแล้วใช่เห็นไหมเพ่งก็ทุกข์นะครับเผลอไปก็ทุกข์อีกละหลังจากนั้นก็จะเห็นในตัวหมุนๆปกติของมันทํางานนั่นแหละนั่นแหละครับไปนั่นแหะวัดตามันหมุนอยู่กลางหน้าอกนั่นแหละครับก็จะเห็นภาพผุดขึ้นไปเรื่อยๆระดับนะมันหมุนนะต้องก็เหวี่ยงรูปขึ้นมาหมุนๆก็เหวี่ยงขึ้นมาแต่ส่วนมากไอ้ไอ้ขึ้นนี่ไม่ค่อยเห็นทันบางทีไม่ทันจะเห็นไอ้ตอนลง ี่เห็นลงชัดกว่าเอา่ีมันจะเข้ามาถนัดเห็นอะไรเอาวันนั้นแหละ <c oughs> นะแต่ว่าการรู้ของเราถูกต้องล <c oughs> แล้วรู้สึกไหมเราเหมือนมีชีวิตใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมเลย <c oughs> ไม่เหมือนเลยครับ ม, มองไปรอบๆตัวสิมีแต่คนหลงหลวงพ่อเคยพูดนะตอนสอนใหม่ๆ <c oughs> ในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวมีแต่คนหลงแล้วไม่กล้าอธิบายเขาด้วย ก็อย่าไปอธิบายเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะบอกเวลาเราทําอะไรไม่ดีนิดหน่อยนะเขาจะว่าเราเนี่ยเหรอนักปฏิบัติมันพูดอย่างกับปฏิบัติก็ไม่ได้ไม่ไม่ไปต่อร้อต่อเถียงครับก็บอกได้เท่าที่บอกได้แค่นั้นต้องอย่างนั้นแหละบอกได้ก็บอกบอกไม่ได้ก็แล้วไปครับนแล้วก็เดี๋ยวอขอกันบ้านพอดีช่วงปีใหม่จะได้โอกาสไปเก็บกรรมฐานอีกครั้งหนึ่งครับ ก็สังเกตให้ดีก็แล้วกันเวลามีตัวรู้อย่าให้มันไปรักษาตัวรู้นะมันจะแอบรักษาเป็นช่วงๆอยู่ใช่ครับนะรักษาอยู่รู้ทันนะอย่าไปรักษามันแล้วก็เดินปัญญาให้มากใจมันกําลังโน้มไปหาความสุขนะพยายามเดินปัญญาคือดูใจรักษบ่อยๆนะ ร, ระหว่างสองงานนะหนึ่งประคองจิตอันที่สองจะไม่ยอมดูใจรักนะ <น ka S 2> ระหว่างสอน ฮะมันหาความสุขเออมันจะเอาแต่ความสุขนะความสุขนั่นแหละตัวหลอกลวงกราบขอบพระคุณครับกราบนรรมศารลหลวงพ่อนะครับขออนุญาตนั่งเก้าอี้ผมเข่าเสื่อมนะครับเออได้ไผมนั่งอานนาปานสติกแล้วก็พอจิตมันสงบแล้วก็จะเกิดปิติแล้วก็สุขนะครับแล้วก็เข้าไปนิ่งว่างเป็นอารามานูนะครับแล้วก็หลวงพ่อแนะนําให้ไป ดูร่างกายหายใจจะเป็นคนดูจิตไหลไปให้รู้อะนะครับแล้วก็ดูการเข้าออกของสมาธินะตอนนี้นี่จิตมันขึ้นเป็นละคนุปนิชานหรื อ, อยังครับมันไม่ได้ขึ้นได้ตลอดนะครับอได้ก็คราวๆเป็งคราวๆไปยังประคองอยู่ไหมอาจจะมีครับเ อ, อีนะให้คอยรู้ตรงเนี้ย ค, คือเราปรับตัวรู้ของเราให้ถูกต้องรู้โดยที่ไม่ได้หอกษาไม่ได้ประคองนะ แล้วก็เวลาถ้าเราดูจิตดูใจเราเห็นจิตเกิดดับได้ก็ดูไปแต่ถ้ามันว่างๆไม่มีอะไรให้ดูนะดูกายเลยพิจะะารณาร่างกายไปเป็นการกระตุ้นไม่ให้จิตติดว่างต้องระหว่ังเรื่องจิตติดว่างนะจิตมันว่างเนี่ยนะฮะคือผมเองพยายามฝึกพิจารณากายหรือว่าพิจารณาข้อธรรมแล้วมันก็ยังว่างนีนี่แหละต้องดูกายให้เยอะเลยแยกร่างกายเป็นส่วนๆเลยผม ดึงออกมากําหนดจิตนะแยกผมไปกองไว้ข้างหน้าเลยนะขนเล็บฟันหนังฉีกออกเป็นส่วนส่วนแยกเป็นกองกองไว้รอบๆตัวแล้วพิจารณาแต่ละอันแต่ละอันอย่างนี้ถ้าทําอย่างนี้จิตก็จะหลุดออกจากวาง่ง mm hmm. บางทีบางท่านท่านก็กําหนดเผาไปเลยเผาเป็นส่วนส่วนไปเลยนะ mm hmm. เผาเวลาสมาธิเราดีๆเนี่ยกหนดเผาลงไปเนี่ยได้กลิ่นเหม็นไหมเลย mm hmm. เผาเหมือน mm hmm. เผาผมเนี่ยเหมือนผมไหมเลยกลิ่น เผาเนื้อเผาหนังเนะี่ยมีกลิ่นแล้วก็จะทำไปเรื่อยนะจนมันสลายหมดนะมันก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาใหม่นะใจจะไม่ติดว่างก็ดูความรู้สึกของเราต่อครับ หลวงพ่อครับตอนนี้เนี่ยเวลาผมดูเนี่ยบางครั้งจิตมันไหลไปแล้วมันเด้งกลับมาเลยแล้วมันก็เหมือนมีเตือนตัวเองว่าส่งจิตออกนอกอีกแล้วนะอันนี้ผมคิดเองหรือมันเป็นการปฏิบัติที่เราทรําคือถ้าถ้าเราจงใจดึงกลับมาเนี่ยจิตจะแน่นสังเกตตรงนี้นะถ้ากลับมาแล้วก็รู้ตื่นเบิกบานอันนี้ไม่ได้จงใจกลับมาเองอย่างนั้นดีที่สุดนะแล้วถ้าอย่างนี้ผมจะเจริญปัญญานี้ตอนนี้ควรจะฝึกยังไงครับ ต, ต้องให้จิตมันเคลื่อนออกจอากว่างก่อนนะถ้าจิตยอยู่ในว่างเนี่ยมันไม่เดินปัญญานะงั้นสังเกตตรงนี้ก่อนอย่ารักษาตัวรู้นะขณะเดียวกันถ้าใจมันว่างๆเฉยๆเนีดูกายแต่ถ้าใจมันทำงานเรามองเห็นการทำงานของใจได้ก็ดูใจนะ อย่างถ้าเกิดว่าสมมติผมตั้งเนี่ยแล้ว เ, เกิดเมื่อยอย่างนี้นะครับหลพ่อแล้วปรากฏว่าผมรู้สึกว่าใจเนี่ยผมเห็นความเมื่อยนะฮะแล้วความเมื่อยเวทนาตัวนั้นก็ไม่ใช่ขาของเราอย่างนี้มันเป็นการที่เรามัมน<ช>จะเดินปัญญาใช่ <มา S 2> เป็นการเดินปัญญาเป็นปัญญาแรกเลยเรียกว่านารูปปริเชทยานเห็นรูปก็อหนึ่งเวทนานอันหนึ่งจิตอันหนึ่งแยกกันก็ดูไปแต่ละ้านไม่ใช่เราสักอัน ถ้ามันดูมันแยกแล้วก็เฉยๆใจก็เฉย ๆ, ฉยๆแยกแล้วใจเฉย ๆ, ๆนะคิดพิจารณาลงไปเลยร่างกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งไม่ใช่อันเดียวกันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยสอนมันไปอย่างนี้เลยนะถ้าถ้าแยกเห็นเวทนาแล้วเวทนาแยกแล้วมันก็ไปรู้เฉยช่วยมันคิดพิจารณาไตรลักษณ์การคิดพิจารณาเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้จิตเดินปัญญาน ะ, ะต่อไป กรรมธรรมสการค่ะส่งการบ้านสอปีเจ้าค่ะคือปกติเนี่ยถ้าถ้าดำดันชีวิตปกติอะคะ่ะดูลมหายใจนี่จะรู้สึกมีความสุขเจ้าค่ะแต่ว่าถ้าเอามาเป็นรูปแบบในการปฏิบตัติจะหลับเจ้าค่ะสืบเนื่องมาจากตอนเด็กๆอาจจะใช้ตรงนี้ในการที่ทําให้ตัวเองนอนหลับเออเหรอเจ้าค่ะถ้าเดินจงกรมหรือว่านั่งสมาธิปุ๊บจะหลับเลยเจ้าค่ะแต่ว่าเราจะใช้เครื่องอยู่ในการดูกายดูใจเจ้าคะ่ะ ใช้อะไรนะดูเอ่อค อ, อ, อนคอนคอนทันัคือดูดูกายในในการทํางานทั่วไปอะค่ะเป็นเครื่องอยู่เจ้าค่ะไดแ้แต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าจะยังไงต่อไปอะเจ้าค่ะแจ่มันยังมีโมหะแทรกง่ายนะเจ้าค่ะมันจะซึมง่า ย, ยงั้นดูร่างกายไว้ก็ดีแล้วแหละแล้วก็ไม่ต้องไปพาร่างกายทําอะไรซ้ำซากพามันทํางานบ้านอะไรเงี้ยปัดบ้านถูบ้านซักผ้านั้นทํางานไปเรื่อยๆเจ้าค่ะจะเห็นร่างกายมันทํางานไป ถ้าไปทําอะไรซ้ำๆเดี๋ยวมันหลับเจ้าค่ะตามน้ำมัสการค่ะหลวงพอ่อย่างที่โมโหอยู่เปล่าหรือดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วค่ะหลวงพ่อคิดว่ารู้สึกจิตมันตั้งมั่นมากขึ้นแต่ว่ายกเว้นวันนี้วันนี้มันนั่งนานนิ่งๆมันเบอร์เบอค่ะเมื่อสักครู่ที่หลวงพ่อเทศนะคะแล้วพอถึงตอนที่มันขำมันก็หัวร้อ แล้วมันก็มาดูที่จิตจิตมันก็เอ่อเหมือนมันมันเหมือนมันรักษาให้เป็นปกติอย่างนี้ได้ไหมคะอย่ารักษามันไม่ต้องรักษาของโยมรักษาเยอะไปมันต้องดูย่งเงยตอนนี้รักษาอยู่ทราบไหมค่ะถ้ารู้ไม่เป็นไรนะถ้ารักษาจนชินไม่รู้ว่ารักษาเนี้ยไม่ดีมันจะไม่เดินปัญญาจริงถ้าไม่รักษานี้ดูยังไงนะคะมันจะไม่ประคองไว้อะนะ เนี่ยมันเหลือตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งค่ะอย่าให้เหลือตัวนิ่งก็คือรู้แล้วผ่านไปเลยรู้แล้วจบเลยค่ะทีนี้ถ้าหากว่ า, าสังขารมันปรุงแล้วมันไปกระเพื่มที่จิตก็แยกออกไปอีกว่าเสมเมื่อว่ามันโทสะก็แยกไปว่ามันโทสะอีกจิตหนึ่งก็รู้อยู่ใช่ก็เห็นนะโทสะกับจิตคนละอันกัน โทสะนะเราสั่งให้ไม่ให้เกิดก็ห้ามมันไม่ได้เกิดแล้วไล่มันก็ไม่ไปไม่ใช่เราหรอกอดูไปเรื่อยๆมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของไม่ใช่เราอือีกอาทิตย์หน้าว่าจะไปภาวนาไม่ทราบหลวงพ่อมีอะไรให้แก้ไขหรือว่าแนะนําอะไรบ้างเอย่าไปจงใจเยอะนะอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะเดี๋ยวมันจะไปเพ่งเราเดีย๋ยวมันจะแข็งแข็งไป เป็นธรรมชาติขอบคุณจ้ากาบนมัสการค่ะหลวงพ่อคือใช้สวดมนต์เป็นรูปแบบอะค่ะตอนสวดก็จะแบบบางทีก็ไปรู้ที่ปากบางทีเราก็มารู้ที่เสียงเราหรือบางทีก็หนีไปคิดอะค่ะคราวนี้เหมือนมันไม่ค่อยมีพลังอะค่ะอยากได้เครื่องอยู่ในชีวิตประจําวันอะคะ่ะสวดมนต์ก็ได้นะอยู่ในชีวิตประจําวันนถ้าไม่ต้องทํางานที่ต้องคิดก็สวดมนต์ไป รู้จักหลวงตามหาบัวไหมรู้จักค่ะท่านเคยเล่านะว่าท่านพุทโธตลอดเลยทําอะไรก็พุทโธไปเลยพุทโธก็คือสวดมนต์นั่นแหะแต่สวดสั้นชุดจู๋สวดสองคำพุทโธพุทโธนะแล้วบางทีแบบตอนเรามองหน้าคนเนี่ยเราก็เห็นว่าเรานินทาเขาเอ้ว อ, อย่างนั้นดี<า>รเรารู้ทันใจของเรานะคะแล้วบางทีพอเวลาไปเดินห้างหรือว่าดูอะไรเงี้ยมันจะบีบบีบอกบี บ, บ, บมันมันโดนบีบอะคะ่ะเวลาอยากได้หรือว่าแค่ดูอะไรเงี้ย ฟังไม่ออกว่าไงนะ เ, ออเวลาเราอยากได้อะไรอย่างนี้มันจะบีบบีบอกอะค่ะอ๋อใช่เวลากีเลตเกิดแนละ้วมันบีบคั้นถูกแล้วห่ ะ, ะก็ดูไปอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่ดูมันทํางานได้เองมันไม่ใช่ตัวเราอ๋อค่ะขอบพระคุณค่ะค่ ะ, ก, ะกาบนวัตกาลหลวงพ่อเจ้าค่ะไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อประมาณสามปีแล้วค่ะก็ปฏิบัติมาหลายปีนะเจ้าค่ะ ช่วงแรกๆรู้สึกว่ามันก้าวหน้าดีช่วงหลังๆนี้มีความรู้สึกว่าตัวเองไปติดความสงบหรือเปล่าทำสมาธิมากไปไหมแต่ก็ประเมินตัวเองว่าในเรื่องของของสมาธิความตั้งมั่นรู้สึกว่าตัวเองมีกําลังมากขึ้นค่ะ<า>แต่ว่ามันเหมือนมันไม่ค่อยเห็นอะไรค่ะโมหะมันครอบเอานะใจมันซึมซึมไปก็ให้รู้ทันว่าใจมันซึมหายใจแล้วก็ให้ความรู้สึกตัวมันชัดขึ้นมาหน่อย ให้ความรู้สึกตัวมันเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะความรู้สึกตัวมันอ่อนไปคือสติมันอ่อนไปนิดหนึ่งรู้สึกข่้นมาใ ห, ห้ชัดเนี่ยเออขนาดเนี้ยนะมันจะไม่ซึมนะแล้วก็จะแยกขันไปแล้วก็ปกติเป็นคนทำสมาธิโดยวิธีการนอนสมาธินะเจ้าค่ะ<อ>ก็เห็นกายเนี่ยมันหลับไปละแต่ใจมันจะตื่นแล้วก็รู้ รู้หลายๆอย่างได้ยินได้อะไรปกติมันจะรู้อยู่เฉยๆอย่างเงี้ยบ่อยๆเจ้าค่ะหลวงพ่อมันเป็นสมาธิที่ถูกต้อหรือเปล่าค่ะก็เป็นสมาธิอีกอย่างหนึ่งนะถูกเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เดินปัญญาสิใช่เจ้าค่ะมันจะรู้อยู่เฉยๆนะ<ช>สว่าง<ร>ว่าง ๆ, ๆอยู่เฉย ๆ, ๆมันก็สบายสบา ย, สบายเอาไว้ออกจากโรงนั้นมานะแล้วมาดูไปร่างกายนี้มีแต่ทุก็ดูไปได้เลยดูทุกให้เยอะๆเลย ไม่งัใจมันไม่ยอมเดินปัญญามันจะเอาว่างยอยายามดูไปร่างกายก็เต็มไปด้วยความทุกข์จิตใจก็ถูกบีบคั้นอย่าไปหนีมันนะอย่าไปห า, ว, า<ช>ว่างกล้าหน่อยใช้วิธีการคิดน้อมน้อมอย่างนั้นได้เพราะมันไม่ยอมคิดเดี๋ยวนี้มันไม่ยอมทําอะไรเลยนั่นแหละนะต้องพามันคิดครูบาอาจารย์วัดป่าท่านทาสมาธิแล้วท่านก็ต้องคิดนะ คิดพิจารณาเนี่ยเพราะว่าจิตมันไปติดเฉยเจ้าค่ะเพราะงั้นเราคิดพิจารณาคนกว่าอยู่ในร่างกายในจิตใจของเรานี่แหละพอใจมันเริ่มทำงานได้แล้วเห็นกายเห็นใจทำงานได้แล้วไม่ต้องคิดถ้า<ม>คิดเราฟุ้งซ่านแล้วตอนนีหลวงพ่อเจ้าค่ะแล้วการนอนสมาธิที่โยมทำอยู่ค่ะ ม, มันเหมือนการฝึกกําลังไปในตัวเพราะเมื่อก่อนรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีกําลังฟุง้งซ่านอันนั้นก็ได้สมาธิไงแล้วจะ<ต>ทำยังทําได้อยู่หรือเปล่าทำได้นะแต่ถ้าใจไปชอบในความสุขความสงบให้รู้ทันว่าใจชอบแล้วถ้าไม่รู้ทันมันก็ติดที่ที่เป็นอยู่เนี้เพราจิตมันติดสมาธิมันจะซึมนะตรงพ่อถึงบอกรู้สึกตัวให้มันแรงขึ้นหน่อยหรืถ้ารู้สึกตัวแรงขึ้นมันก็จะชัดขึ้นมาแป๊บเดียว แต่ถ้าเราเห็นว่าใจเราชอบในความสงบนะความชอบตับก็จะหายเลยอันนี้ยไม่ติดแต่ถ้ารู้ตัวใช้รู้ทันเราเนี่ยรู้ทันว่าซึมๆแล้วก็เราความรู้สึกขึ้นมาไม่อยู่ได้แบบเดียวเดี๋ยวก็ซึมใหม่อันนั้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ถ้ารู้ทันว่าใจโลภใจพอใจในความสุขความสงบอย่างเนี้จะหายเลยไม่ติดไม่ติดสมาธิ ในสมาธิที่บอกว่ารู้สึกตัวอยู่เฉยๆตัวนั้นคือตัวรู้ใช่ไหมคะใช่เป็นตัวรู้แต่ว่าไม่เดินปัญญาเจ้าค่ะเนี่ยที่พระเจ้าสอนนะพอจิตได้ตัวรู้นะจิตอ่อนเบาตั้งมั่นควรแก่การงานแล้วเนี่ยให้น้อมน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะเพราะเราต้องน้อมน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะถ้าจิตมันไปเดินปัญญาเองก็ดีเลยถ้ามันไม่เดนินก็ต้องพามันเดินไปที่เรียกว่าน้อมน้อมไปเพื่อยานทัศนะ นะกราบขอพระคุณเจ้าเพียนาลงใจรักไปเรื่อยๆนำ้ำมาสการ์ค่ะหลวงพ่อช่วงที่ไม่พบหลวงพ่อก็มีสอบตกก็มีเผลอไปแสดงอารมณ์แล้วมันก็ปีตดขึ้นมาค่ะ<ม>ก็ทีนี้ก็รู้แล้วว่าสิ่งที่สำคัญก็คือศีลคือยังไงก็แล้วแต่ก็จะต้องปิดปากเอาไว้ก่อน อ, อย่า ไ, ไปพูดอะไรเออถือดีดี แล้วสิ่งสิ่งสิ่งที่หนูเห็นตอนนี้ก็คือหนูพยายามลองดูที่หลวงพ่อบอกว่าให้ให้หัดดูเองแต่ว่าทีนี้จะมีอยู่อย่างหนึ่งหนูว่าช่วงช่วงนี้มันมันเป็นสภาวะที่มันเบาแล้วมันละเอียดพอทีนี้เราจะเริ่มดูยากละคือบางบางทีมันออกไปข้างนอกแต่พอกลับมาดูข้างในอหนูเห็นว่าอีกก้อนข้างในเนี่ยมันหนักมากแล้วมันเหมือนกับว่าไอตัวข้างบนนี่แหละ มันมาบีตัวข้างล่างแล้วมันมายึดถือว่ามันเป็นตัวเราของเราจริงๆแล้ ว, วมันมันเป็นธาตุใช่ไหมคะที่ไหลไปไหลามาอยู่ข้างนอกออใช่แล้วไอ้ความไม่รู้เนี่ยมันก็เหมือนจะพยายามมาดึงมาดึงมาแล้วมันก็หนักหนักหนักเหมือนบางครั้งจนตัวเนี่ยเอียงเลยว่าเราไปแบกของหนักไว้อยู่ห้ามมันไม่ได้เพราะใจมันยังไม่ฉลาด แต่ถ้าใจไม่เห็นว่ายึดที่ไหรก็ทุกข์นะมันจะค่อยๆ ค, ค, คลายออกแต่ถ้าทีแรกเห็นว่ายึดแล้วทุกข์เนี่ยมันจะดีดกลับเลยมันอยากจะไม่ยึดมันพยายามจะทิ้งตรงนี้ก็ทุกข์อีกนะจะบีบคั้นอีกแบบหนึ่งจะหยิบเอาไว้ก็ก็บีบคั้นพยายามจะทิ้งก็บีบคั้นรู้อย่างที่เป็นกลางรู้จนข้างวันหนึ่งเห็นว่าเนี่ยเป็นก้อนทุกข์ล้วนๆจิตจัวางของเขาเอง ก็ดีนะพราณาเห็นตัวเนี้ยถ้าเห็นตัวนี้จะเห็นทุกนะตัวนี้ยก็หมุนเวียนมันมันวัตถามันอยู่แล้วมันอยู่ข้างในแล้วก็หมุนแล้วมันเป็นไฟขึ้นมาเหมือนแบบมันเล่าร้อนมากเลยนะคะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นั่นถูกเป๊ะเลยเนี่ยไปเล่าให้ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนฟังแล้วฉันจะตื่นเต้นเลยวัตถามันหมุนอยู่กลางอกนี่แหละ แล้วหนูก็ไม่รู้ว่าจะหนียังไงเพราะมันหนีไม่ได้และไอ้ตัวข้างบนนั้มันก็บอกว่าก็รู้ทุกข์สิรู้ทุกข์ก็ดูกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะเออให้รู้ทันตัวนี้นะโทสะเนี่ยมันแทรกจิตเข้ามานะให้รู้ตัวนี้จิตไม่เป็นกลางให้ดูตัวโทสะไวนะ้ปัญหาของหนูนะธรรมะมันก็สอนนะบอกให้รู้ทุกข์โอ้รู้มาต้องเยอะแล้วไม่หลุดเห็นไหมเออโทสะมันแทรกให้รู้ทันโทสะ พอโทสะดับตอนนี้จะรู้ทุกด้วยใจที่เป็นกลางจำงได้ไหมหลวงพ่อสอนหลักว่าไงมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตอนนี้ขาดความเป็นกลางยังมียังมีปฏิฆะติดตลอดตัวใช่ใช่ใช่แล้โทสะติดตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเจริญเมตตาแต่มันก็ไม่ค่อยจะเมตตาเลยค่ะ <laughs> ให้รู้ทันว่ามีโทสะ <laughs> ขอบพระคุ ณ, <laughs> ค, ณค่ะ นะมัสการค่ตัวรู้มันมีรู้สึกไหมจิตมันเป็นคนดูแต่มันไม่เป็นกลางหลวงพ่อตื่นแล้วมีคมว่าตั้งมั่นและเป็นกลางว่ามาประมาทค่ะปกติภาวนาโดยใช้นั่งสมาธิค่ะหลวงพ่อแต่ว่าคือจริงๆก็ชอบนะคะหลวงพ่อชอบนั่งแต่ว่ามันมันฟุ้งซ่านะคะหลวงพ่อเดี๋ยวเดียวก็ต้องดึงกลับนะมันฟุง้งขึ้นมันหนีวิคิด แทนที่จะให้มันคิดสเปิสปาก็พามันคิดเลยให้มันคิดพุดโทโธธรรมโมสังโฆอะไรไปเลยหรือสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้สวดอิติปิโส ว, วันละ108จบอะไรเงี้ยนะหาลูก ป, ประคำมนสวดอิติปิโสร้อยแจบทุกวันทุกวันวั น, ว น, วนละชั่วโมงกว่าเนี่ยเดี๋ยวจีก็สงบเองอนะพยายามจะมีสติในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ได้สมาธิไม่พอสมาธิไม่พอใจมันฟุ้งฉะนั้นชาติจะสวดมนต์ยาวๆก็ได้นะสวดไปเรื่อยๆ ลองดูสิส่วดวันละสักร้อแปจบนะชั่วโมงกว่าตอนตอนนั่งสมาธิใหม่ๆอาจารยหลวงพ่อรู้สึกว่าแบบคือยังไม่ยังไม่ไม่รู้อะไรเลยก็คือลองนั่งคือก็้ตอนนั้นนั่งง่ายปิติค่ะมีปิติรู้สึกสุขแต่ว่มันไม่เป็นแล้วค่รู้มากยากนานตอนนั้นมันทําแบบอินโนเซน์ไม่ได้หวังตอนนี้มันหวังแล้วพอหวังแล้วไม่ได้ ก็คือตอนนี้ต้องต้องไปนั่งสวดมนต์เยอะๆใช่ไหมใจมันฟุน้งซ่านไปมันหนีคิดเก่งแทนที่จะให้คิดสเปสป่านะให้มันคิดสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้คิดพุดโทโธธรรมโมสังโฆไปก็ได้ทําคิดให้ได้อย่างนี้ทั้งวันนะใจมันอยู่ในอารมณ์พุโทโธธรมโมสังโฆหรือส่วนอ e ิติปิโสอะไรแลใจมันก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านแล้ ว, วมันถึงเดินปัญญาต่ อ, อนมัสการค่ะหลวงพ่อ จะจะเรียนถามนะคะว่าเราปฏิบัติถูกต้องแล้วนะคะแต่ว่ามันมันยังมีวิบากอยู่เจะต้องทํำยังไงดีคะวิบากแก้ไม่ได้นะมีบากเนี่ยต้องรับเป็นผลจากการกระทำกรรมเราะนั้นวิบากเนี่ยส่งผลให้เรามาเจอปรากฏการณ์ปัจจุบันเมื่อเราเจอปรากฏการณ์ปัจจุบันแล้วเราทำกรรมใหม่ที่ดีอย่าไปเพิ่มกิเลสขึ้นอีกนะ พยายามมีสติมีศีลมีอะไรไปเดี๋ยววิบากมันก็ค่อยๆ อ, อ่อนกำลังไปเองอแล้วต้องเพิ่มปฏิ อ, อยากจะให้หลวงพ่อเน้นพระยงก<ห>็ชีโมโหเหมือนกันนะเจริญเมตตาไปเยอะๆก็ดีนันบริกรรมไปเรื่อยๆเมตตาคุณังอรหังเมตตาอะไรบริกรรมไปใจก็จะได้สมาธิสบายขึ้นกว่านี้นะขอบพระคุณค่ะ ครับหลวงพ่อค่ะลู้มีปัญหาเรื่องการภาวนาค่ะคือแรกๆนั่งสมาธิก็จะรู้ว่ามีการปวดเจ็บก็จะขยับตัวแต่พอต่ลังก็จะรู้สึกว่ามันตั้งมั่นขึ้นมันก็จะเห็นเวลาที่เห็นความเจ็บปวดเนี่ยก็จะเห็นจิตมันพอใจยินดีในความเจ็บปวดแล้วก็นั่งไปเรื่อยๆเมื่อเดือนที่แล้วก็มาส่งการบ้านค่ะคุณมาลีบอกว่า เนี่ยมีจิตเพ่งด้วยลูกก็ไปสังเกตออกจริงๆมีเพ่งด้วยก็เลยไปใช้วิธีของหลวงพ่อว่าเวลาจะเพ่งเนี่ยให้คิดถึงตอนยิ้มหวานลูกก็ใช้วิธียิ้มหวานพอยิ้มหวานด้านใจมันก็คลายพอใจคลายเสร็จแล้วลูกก็นั่งสมาธิต่อไปเรื่อยๆนั่งนั่งไปจนความเจ็บเนี่ยมันก็มากขึ้นเรื่อยๆืๆืๆ่อยๆลูกก็ไม่ขยับตัวแล้วก็จิตมันก็เห็นความเห็นเวทนาเนี่ยค่ะ มีมีมีเบามีหนักมีเบามีหนักแล้วเสร็จแล้วมันก็ไปเห็นกายเนี่ยหายใจก็เห็นไปรอบๆมีมีจิตแต่เป็นคนดูก็ไปเรื่อยๆทีเนี้ยมันพอเวทนามันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจิตมันก็เราก็จะดูว่าเอ๊จิตมันจะทุกข์ไหมหรือว่ามันจะเป็นยังไงไหมมันก็เห็นจิตมันยินดีอยู่นะคะแต่พอนานไม่ ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งได้ค่ะก็จะเห็นมีอีกที่ที่ทุ่งจิตของตรงหัวใจเงี้ยค่ะมันเห็นเป็นเหมือนกับหลุมดําๆอะค่ะหลวงพ่อแล้วมันดูดมันดูดมันเหมือนเป็นนรกหรือความทุกข์อะไรมไม่ทราบเงี้ยค่ะลูกก็เห็นว่าเออกายก็กายกายก็ยังหายใจอยู่ไอตัวดําๆที่มันเป็นดูดตัวทุกข์เนี่ย หนูห น, ห น, หนูคิดว่าเป็นทุกข์เลยนะคะหนูก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรมันก็ยังอยู่แล้วก็ผู้รู้ที่เป็นจิตเขาก็มองอยู่เ mm hmm. วทนาก็ก็ยังอยู่มีทั้งเวทนาที่เบาเวทนาที่แรง mm hmm. แล้วพอหนูก็ติดมาถึงตรงเนี้แล้วก็หนูภาพนาต่อไม่ได้ว่าหนูจะเดินไปยังไงเนะะี้ยค่ะใจใจมันฟุ้งซ่านไปนะ mm hmm. ทำทำความสงบกับพข mm hmm. ้ามานิดหน่อยทำใจสบายๆ mm hmm. ดูเล่นๆดูแบบไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ได้ดูเพื่อจะแก้รู้สึกไหมในใจเราคิดจะต้องผ่านตัวนี้ให้ได้อ๋อ oh, ใช่ใช่ค่นะ<ๆ>มันผ่านไม่ได้เพราะอะไร<ๆ>เพราะขันห้ามันมีอยู่นะขันห้าเนี้ยเป็นตัววิบบังยังไงก็อยู่กับเราตลอดแหละไม่หายไปไหนหรอกแต่ว่าเรากําลังไม่ไม่พอใจมันเราอยากให้มันผ่านผ่านไปให้พ้นพนไปเนี่ยใจมันไม่เป็นกลางให้รู้ทันตัวนี้ไว้ใจกลามันทําให้เราฟุงา้งซ่านมั่งเราปฏิเสธหมดเลยนะอันนี้ก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอา ให้รูทันใจที่ไม่เป็นกลางขันห้าเนี่ยพระอรหันต์ก็มีขันห้านะแต่ท่านไม่ได้ปฏิเสธท่านเห็นความจริงของขันห้าว่ามันเป็นตัวทุกข์ท่านไม่ยึดแต่ท่านก็ไม่ได้เกลียดมันของเราเกลียดมันนะเกลียดมันตอนหนูก็เห็นมันแยกแยกแยกตรงที่มันทำหน้าให้ดูแยกแยกยกแยมันอย่างนี้ต่างหากนะมันไม่ชอบอ่ะ ไปดูตัวไม่ชอบนี่แหละแล้วหนูก็นั่งทนอย่างนี้ต่อไปไหมคะหรือว่าต้องเปลี่ยนท่าหรือว่าเห็นไหมในใจลึกๆก็คือเมื่อไหร่มันจะพ้นไปสักทีจะต้องทนมืออีกนานสักเท่าไหรแ่แล้วเดี่ยให้ไปดูตัวนี้ให้ทันเลยนะใจที่ปฏิเสธขันนะ่อให้รู้ตัวนี้<ต>ให้ดีใหนั่งต่อไปใช่ไหมคะนั่งก็ตั่งก็ดูมันไปยังไงมันก็อยู่กับเราทั้งชาติหลยไม่ใช่พ o r n a ดีแล้วไม่มีขันเมื่อไหร่ล่ะ หนูคิดว่าหนูว่ากําลังไม่พอหนูจะมาถามหลวงพ่อว่าให้โทสะมันขึ้นโอ้คค่ะนโทสะมันขึ้นซะ ก, ก่อนก็ไม่เป็นกลางใช่นะใช่ให้รู้ทันตรงนี้เออเนี่ยพวกเราเก่งนะที่หลวงพ่อสอนมีสติพวกเราก็มีแนละ้รู้กายรู้ใจเราก็รู้แล้วนะนะตามความเป็นจริงก็เริ่มเห็นแล้วมันไม่ใช่เรามันทํางานได้เองด้วยจิตที่ตั้งมั่นก็ตั้งเป็นคนดูแลแต่มันไม่เป็นกลางมันเหลืออันเดียวเองสติใช่ไหมมีแล้ว รู้กายรู้ใจแล้วตามความเป็นจริงแล้วเห็นไตรลักษณ์แล้วด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วขาดเป็นกลางวัน น, นี้ตั้งหลายคนแล้วนหมาลงที่นี่กันแล้เป็นพัฒนาการนะถ้าหดใหม่ๆก็คือต้องฝึกให้มีสติเนีพอ ม, มีสติแล้วก็ต้องมาสอนให้ให้รู้กายรู้ใจรู้กายยังไงรู้ลงปัจจุบันขณะรู้ใจเป็นปัจจุบันสนันตติ รู้แล้วรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจหรือไม่ใช่ต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจจะเห็นได้แล้วก็ต้องสังเกตจิตเป็นคนดูสภาวะทั้งหลายแสดงอยู่ก็แยกออกมาจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเสร็จแล้วจิตมันไม่เป็นกลางให้รู้ไปด้วยความเป็นกลางงั้นคีย์บอร์ดที่สอนเนี่ยนะมันไล่มาเป็นลําดับเลยเพราะคุณย่าคะนวัตสการ์ครับหลวงพ่อ ว่าไงเอ่อก็อาศัยไม่พิดดเตอ๋อสิอาศัยตาจึงเห็นรูปอาศัยหูจึงได้ยินเสียงก็ชอบดูกายเคลื่อนไหวแล้วก็ดูใจที่มันไหวแว บ, บไปคิดบ่อยๆนะครับอเอาไปเครื่องอยู่นะครับก็ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็เห็นจิตแว บ, บไปบ่อยๆนะครับแต่ว่า เหมือนกับว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นสักเท่าไหร่นะครับมันก็เลยสะสมปัญญาน้อยคือมันจะพยายามมองในบุมมองไม่ใช่ตัวตนนะครับแต่ก็เห็นว่ามันสะสมน้อยทีนี้อยากจะให้หลวงพ่อชี้แนะว่าที่เห็นมาแสดงไตลักษณ์เนี่ยเป็นคล้ายๆว่าคิดไปเองหรือหรือว่ามันเห็นนะขันมันแยกได้มันเห็นอยู่แต่แรงมันไม่มีสมาธิไม่พองนั้นทาสมาธิหน่อยสวดมนต์เยอะๆก็ได้ครับ พูดโพุดโทพูดโธไปเรื่อยๆนะก็บางบางทีมันก็พุโทโธรจีมันก็พุโทโธเองครับหลวงพ่อแต่ว่าเหมือนกับว่ามันพุโทโธแบบเรื่อยๆข้างในอ่ะครับจะต้องเรา่าอารมณ์นิดนึงไหมครับเออต้องถ้าเป็นพุโทโธแล้วมันเลื่อยเฉยไปนะก็หาอย่างอื่นเช่นสวดอีทีพีโสสวดอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าสวดจนกระทั่งมันสวดอัตโนมัติด้วยไขยสันหลังนะแล้วนะใจไม่สนใจครับสมเด็จยานสังวรนะท่านสอนดีนะ ท่านบอกถาจะพุทโธแล้วให้ได้สมาธิอ่ะพุทโธไปแล้วคิดถึงพระพุทธเจ้าไปพุทโธคือพระพุทธเจ้าทําความรู้สึกขึ้นในใจนะเหมือนเราอยู่ต่อหน้าท่านกําลังกราบอยู่แทบเท้าท่านอ่ะนะนึกถึงพุทโธพุทโธทําใจเหมือนกําลังอ่อนน้อมอยู่กับท่านแล้วทําใจอย่างนี้ได้นะสมาธิมันมาเลยคือจะไปพุทโธส่งเดชเป็นนกแก้วนกขุนทองพุทโธแล้วางใจให้ถึงพระพุทธเจ้าไว้ อันนี้จะคนละแบบกับอีกอย่างหนึ่งนะที่ว่าพุทธโธเรารู้ว่าจิตเคลื่อนอันนั้นเพื่อจะให้ได้จิตตั้งมั่นแต่ถ้าพุทธโธเราน้อมถือพระพุทธเจ้าเนี่ยจะได้จิตสงบนะเฉะนั้นพุทธโธให้เป็นนะทำได้หมดเลยคือสมมติถ้าพุทธโธแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตมันก็จะแบบเหมือนว่าพรนึกถึงพระพุทธเจ้ามันก็จิตมันก็จะแบบเออไหลไปละอะไรประมาณนี้ครับนั่นเดินปัญญามากไปเวลาเราจะทําความสงบเราไม่ต้องห่วงเรื่องปัญญา นะนึกถึงพระพุทธเจ้าให้จิตใจมันแช่มชื่นเบิกบานมีปีติมีความสุขขึ้นมาพานะจิตใจแช่มชื่นเบิกบานมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ดูกายดูใจของเราต่ออันนี้คือดูจิตใจมันเหี่ดแห้งมากเลยใช่ไหมครับหลวงพ่ออะไรนะดูจิตใจมันเหี่ดแห้งมากเลยใช่ใ ช, ใช่มันไปเดินแบบสุขวิปัสสกะมากไปครับนมัสการกรา บ, รบนมัสการค่ะหลวงพอ่อ นี่เป็นครั้งแรกที่มาส่งการบ้านนะคะหลังจากที่ได้ฟัง เ, เทปของหลวงพ่อไปประมาณสองปีกว่าก่อนหน้าที่จะฟังเทปของหลวงพ่อนะคะก็ได้แค่สวดมนต์อ่านหนังสือธรรมดา ม, มีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยมีความทุกข์มากๆทุกข์มากมจนรู้สึกว่าตัวเองต้องหาที่พึ่งแล้วค่ะก็เลยเนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์จากนั้นนะคะก็ รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหายใจไม่เป็นปกติแล้วก็เริ่มมีเริ่มไปจับที่ลมหายใจที่มีลักษณะสั้นบางยาวบ้างเพราะความกลัวตายมันก็เลยไปจับที่ลมหายใจแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งอะ่ะมีหลังจากที่โดนแม่ว่าบ่อยๆแล้วเรารู้สึกมีความทุกข์นะคะเราก็มีวันหนึ่งอะ่ะ ม, มันเหมือนตัดได้แล้วเราก็เดินไปดูแม่เราก็เห็นปากแม่ขย<ม>ับได้ยินเสียง<ม>แต่ว่ามันไ ม, ไม่มีความรู้สึกใดเลยอ่ะมันซึ่งเราแปลกใจมากมันมทำให้เราเกิดมีความสุขเวลานะจิตมันทรงสมาธิอยู่นะมันเป็นอย่างนั้นแหละ<ต>หลังจากนั้น ถ, ถ้าจะเดินปัญญานะถูกแม่ ด, าด่าโกรธรู้ว่าโกรธเนี่ยมันจะไม่ตัดความรู้สึกให้เฉย วันนั้นมันไม่มีเลยค่ะทุกทีมันมีแต่พอวันนั้นมันแปลกใจว่าไม่มีเนี่ยมันก็เลยเดินไปมองมันก็เลยเห็นแต่แบบนี้แล้วก็เสียงมันเหมือนคลื่นมากระทบเฉยๆมันไม่แปลเลยะแล้วจิตมันทรงสมาธิอยู่นะแล้วก็คืนหนึ่งอะค่ะหลวงพ่อจิตมันเหมือนมันเหมือนเราดิ่งดิ่งลงไปมันเหมือนเป็นภาพวงกลมๆเป็นเกลียวอ่ะแล้วก็ดิ่งลงไปลึกมากเป็นแบบนั้นอยู่อยู่สองสมวัน แล้วก็เราก็จะเห็นภาพแบบเหมือนทีวีที่มันไม่มีภาพอ่ะอยิบยิบยบหเห็นอยู่เป็นเป็นอาทิตนะคะหเห็นจนมันสงสัยว่ามันคืออะไรแล้วมันไม่อยากจะเห็นแล้วแต่มันก็ยังเห็นอยู่ค่ะหลวงพ่อห้ามมันไม่ได้นะแต่อย่าไปทําสมาธิมากนักรู้สึกตัวอยู่ในชีวิตประจํำวันนี้เ ย, ยอะๆทํางานบ้านไปกวาดบ้านถูบ้านไปนะแล้วเวลาใจมีโทสะเกิดขึ้นให้รู้ทันไป โทษามันแทรกอยู่แค่เราคิดถึงแม่ใจเราก็เศร้ามองแล้วเราให้รู้ทันใจที่เศร้าแล้วก็เคลื่อนไหวเห็นนา่งกายทำงานไปดีกว่าไปนั่งสมาธินะนั่งสมาธิไม่เหมาะหรอกคือในช่วงนั้นไม่ได้ฟังเทปไม่ได้มีครูบาอาจารย์เลยค่ะก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรกับตัวเองแล้วก็เช้าวันหนึ่งไปทำงานเนี่ยก็รู้สึกเหมือนตัวเองเดินแล้วเท้ามันไม่แตะพื้นอานาจของสมาธิอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเวลาตายนะเป็นผีเวลาเดินก็ไม่ถึงพื้นนะจะลอยอยู่สักครึบนึ่งอย่างใช่ค่ะมันไม่ถึงพื้นแล้วเราเออจะออกไปเล่นน่ะเนี่ยเราสวมวิญญาณผีไปแล้วแต่นั้นค่ะหลังจากนั้นพอได้ฟังซีดีของหลวงพ่อก็กลับมาปฏิบัติตามที่หลวงพ่อบอกแล้วก็จะเห็นภาพแบบคนเนี่ยเป็นโครงกระดูไปหมดเลยเราอย่าไปดูข้างนอกนะดูของเราเองใจเราเศร้ามองให้รู้ใจที่เศร้ามองแล้วก็ทํางานไป เศร้าขึ้นมปอีกรู้อีกทำงานไปโมโหขึ้นมารู้อีกเนี่ยตอนนี้ลูกก็รักษาสิน5ห้อยู่แล้วก็เห็นจิตตัวเองเนี่ยมันวิ่งออกไปวิ่งเข้ามาเนี่ย<ม>จับอยู่ตลอดเวลาเลยบางทีก็หลงบางทีก็อยู่ไม่รู้ทันเนี่ยให้รู้ทันตรงที่ใจมันไม่ชอบอะ่ะโทสศัมันจะแทรกอยู่ในแทบทุกเรื่องให้คอยรู้ตัวนี้ไว้นะตอนนี้ติดอยู่ในสภาวะที่ว่า เห็นเหตุการณ์ที่มันเห็นเหตุการณ์ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นนะคะหลวงพ่อเปนน็นเรื่องของสมาธิละน ะ, นะที่เล่ามาทั้งหมดอนะ่ะมันอาการของสมาธิทั้งนั้นเลยงั้นคอยรู้ทันเวลากิเลสเกิดดีกว่าโทสะเกิดรู้ทันโทสะเกิดรู้ทันฝึกตัวนี้ให้มากนะไม่ ง, งั้นมันเป็นเรื่องสมาธิสมาธิเนี่ยเล่าสามวันสามคืนไม่จบหรอกอาการมันเยอะกับนะขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อ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 ยถาวะริวหาปุราปริปูเรนตีสาคารังเอวามวะอิโตทินังเปตานังอุปปกปติอิชิตังปะทิตังทุมหังคิปะเมวาสมิจฉุตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปันรโสยถามณีโชติรโสยะถาสพีติโยวิวัชฉันตูสัพโรโควินัสตู มาเตภวัดวันตรยโยสุขีที่คายุโกภาวะอพิวาธนาสีลิสนิจจังอุทาปัจจายโนจ ต, ตาโรโอธรรมาวัทันตีอายุวันโนสุ ข, ขังพระลังสาธนะุปีใหม่โวยพรนะปีใหม่ขอให้รู้ทุกนะสาธุรู้ทุกสิดีนะ